เมลากองการฝึกสติหรือการตั้งสติไว้กับฐานเนี่ยเขาจะแยกย่อยการดูการเห็นเป็นลำดับเอาไว้ตั้งแต่การรู้กายอยู่กับฐานกายต่อมาก็รู้กับฐานเวทนาฐานกายก็ได้เกิดกันอยู่กับลมหายใจอนาปา ย, ยกับกายวิทยบทใหญ่อริยบทย่อย เราจะเคลื่อนไหวตรงไหนเราตั้งสติกําหนดรู้ตอนนั้นก็เป็นการฝึกสติทันทีนะแต่ถ้าจะนับเรื่องว่ามันเป็นสติปัฏฐานหรื อ, อยังที่เรากําหนดรู้เนี่ยก็ไปดูตรงที่บทสรุปของเขาก็บอกว่าวิเนยโลเกปิชาโทมนัตสังเมื่อไใดก็ตามที่เอาความพอใจแล้วละลึกรู้อย่างนี้ เราเอาความพอใจไม่พอใจออกจากจิตได้จิตมันเข้าสู่สภาวะของความโลง่งความปลงความรู้ตัวถ้าโปลงก็ไปชอบมันก็ไม่ได้นะมีความรู้ตัวท่วพร้อมเกิดขึ้นเอาความพอใจไม่พอใจออกไปจากจิตเสียมีแต่ความว่างเมื่อ น, นั้นเราเรียกว่ากายานุปัสนาสติปานเรียกว่าเราเระลึกอยู่กับฐานกายเป็น แต่ถ้าเรายกมืออย่างนี้มันมีความคิดความห่วงเขาเหงาเขามายุ่งเลยเขาเรียกว่ายังไม่รู้กายตามความเป็นจริงพอรู้ ก, กายเนี่ยกายล้วนๆเนีนะ่ยกายที่เป็นธรรมกายกายที่เป็นรูปที่ไม่มีความปรุงแต่งความคิดความอะไรเขาไม่ยุ่งกับมันเนะี่ยไม่มีความห่วงความเหงาคนนี้เขาไม่ยุ่งกับมัน นั่นเลยอเขาเรียกว่ารู้รู้เรยกว่ากายาขตาสติสติที่เป็นไปในกายไม่ใช่ปอบแป๊บยกมือส้างจังหวะนี้แสดงว่าอยู่กับฐานกายาทันทียอมรับได้นิดหน่อยต่อเมื่อมันเกิดปัญญานั่นแหละเนขาเรียกว่ามันรู้อยู่กับกายั้งยังไม่เกิดปัญญาก็ยังไม่ใช่นะพ่ฒนะาใสยการอยู่กับปัจจุบันให้มันรู้ตัวทั่วพร้อมจริง ในกายนี้ก็จะมีเวทนาเกิดขึ้นถ้าเราปล่อยวางเวทนาได้ไม่นสนใจมันเวทนาก็จะเริ่มดับไปเรื่อยๆให้แยกอยู่ตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างนะเวลาปฏิบัติทำข้างล่างบางข้างบนบ้างให้ปรับอินทรีย์ปรับความสมดุลปรับสติปรับปัญญาปรับการเห็นกัน เปลี่ยนที่เปลี่ยนดาวนี่จิตมันจะเป็นยังไงแต่ถ้าเปลี่ยนบ่อยมากก็ไม่ค่อยดีถ้าไม่เปลี่ยนเลยก็ไม่เห็นความต่างมันเหมือนชีวิตเราชีวิตจริงของเราอ่ะวันวันหนึ่งสิ่งที่มันกระทบเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างเดิมแต่มันก็กระทบที่เดิมนะแต่เพียงแต่มันเปลี่ยนรูปลักกระทบที่ตาที่หูที่จิตเหมือนเดิม แต่สิ่งที่เข้ามาเนี่ยและแต่สมมุติทั้งไหนรวมก็เรียกว่ารูปเนี่ยกระทบรูปรูปกายเนี่ยสิ่งอื่นมากระทบกับตากับหูกับจมูกแต่ความสําคัญมั่นหมายตัวแปลงคือจิตเราเนี่ยก็จะผันไปเป็นเรื่องอื่นไปเรื่อยอันนี้ดีอันนี้ชัว่วอันนี้ชอบใจ น, นี่ไม่ชอบใจเมื่อใดก็ตามที่มีความราลึกล้อยู่กับปัจจุบันสติรู้อยู่กับกาย แล้วไม่สําคัญบรนหมายในกายนี้ในสิ่งที่กระทบอารมณ์ทั้งหลายที่กระทบเนี่ยสามารถอยู่ปัจจุบันเป็ น, เ, นเขาเรียกว่าเรียกว่าการรู้กายแบบบริสุทธิ์ทีนี้ปรากฏการณ์ของการรู้กายนี่ก็จะมีการรู้รูปนามอารมณ์รูปนามปรากฏเกิดขึ้นก็คือมันสามารถรู้กายได้เองโดยอัตโนมัติ เรายกมือสร้างจังหว่าไปสักครู่จะมีความรู้ตัวทุวพร้อมปรากฏเกิดขึ้นสิ่งที่ตามมาก็คือความห่วงความเหงาหายไปความฟุ้งซ่านหายไปความฟุงแต่งหายไปนี่จะความร่วงความปโ่งแล้วความรู้ตัวทุวพร้อมนี่ก็จะเกิดขึ้นต่อเนื่องได้โดยอัตโนมัติมาเลยไม่ได้ย่งยากนั่นเขาเรียกว่ารู้ลูบรู้นามก็จะส่งผล ความเกิดความเข้าใจความไม่สงสัยในการปฏิบัติทำในสายนี้ว่าช่วยในการดับทุกข์ได้จริงๆมันดับทุกข์ได้จริงๆเน่ยรู้อันนี้สงสมรริภาพของสติที่เราฝึกมาเนี่ยมันสามารถทํางานนันได้จริงๆเห็นแจ้งอยู่ภายในนั้นความลังเลจะไม่มีมีแต่ความขยันเท่เนี้ มีแต่ความขยันแล้วก็จะเริ่มรู้จักว่าอุปสรรคมันคืออะไรที่เขามาเกี่ยวปันไม่ให้สติมันต่อเนื่องได้เนี่ยจะมีความตั้งใจจริงบุคคลคนนั้นเราไม่บอกเขาก็ทําความเพียรไม่บอกให้สํารวมเขาก็สํารวมเองโดยธรรมชาติเพราะเขาเห็นประโยชน์มันจะงดการพูดการคุยเองโดยปริยายเพราะเห็นผลเห้ น, นานิสงของสติทีถ้าเกิดปัญญาขึ้นมา มันมีความภูมิใจนะแต่ถ้ามันรู้อีกรู้ถึงสมมุตริรู้รูปนามเนี่ยทะลุไปถึงสมมุติเนี่ยมันจะคลายไอตัวความงมงายทั้งหมดออกไปจากจิตเลยความเชื่อเรื่องโชคลางเรื่องผีเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไสยศาสตร์ทั้งห่างนี่จะหลุดไปออกไปจากใจแล้วจะมีแต่ตัวรู้ ล, ล, ล, ล้วน ใครว่าอะไรไม่ค่อยใส่ใจละอดีตปุบเพวโซมันัตสะโทมันัตสานังอัททั้งขมาขมาความจดความจําที่ประกอบไปด้วยราคะโทสามุารักคนจริงจริจังจังชังคนจริงจริงจังจังผูกพันมันจืดจางไปเองตัวสกกยติจิความเห็นว่าเป็นตัวกูของกูเนี่ยมันจางไป ไม่อยากเอาชนะใครไม่อยากเอาชนะฆ่ า, าคารคนนั้นคนนี้โดยลาฆาโทษะจะเริ่มเป็นผู้แพ้แพ้เป็นพระชนะเป็นมารเวลาทุ่มเถียงกันมันจะเข้าใจว่านี่คือสมมุติเฉยๆนะที่ทิเถียงกันเนี่ยอืเอาจริงเอาจังกับเรื่องแบบลกโลกเนี่ยมันจะปล่อยเริ่มปล่อยเริ่มวางไม่ได้เอาจริงเอาจังอะไรเห็นสักแต่ว่าได้ยินสักแต่ว่า นี่คือภูมิธรรมนะภูมิธรรมของพระโสดาบันใจเราจะผ่องใสพร้อมที่จะเดินหน้าศีลจะเริ่มบริสุทธิ์ขึ้นมาทันเดียวดนั้นเวลามาปฏิบัติธรรมอย่างในน้อยขอให้มันทะลุอันนี้ให้ได้ขยันทมอย่าไปพูดไปคุยอะไรมากนะมุนกาก็เบื่อหนายนะทนพูดคนคุยเนี่ย ก็ไม่เห็นมันมีอะไรได้ขึ้นมาโอกาสมีแต่ไม่มีปัญญาเห็นปัญญาเดินมันก็จะลําบากลําบากอะไรลําบากความปัญหาไหล่ะเกิดขึ้นกับชีวิตเราไปเรื่อยๆอย่างน้อยๆเนี่ยทําให้มันเป็นอันเนี้ยก่อนที่มันเดินไปขั้นอื่นเนี่ยต้องมีศีลมีจิตมีทิฏฐิมีการทําลายความสงสัย แล้วก็รู้ทางและรู้วิธีการเดินทางแล้วก็เกิดความรู้แจ้งกันมาเนี่ยก็ถึงว่าเข้าสู่ความเป็นพระอริยภคลได้แล้วถ้าเส้นทางนี้ไปเจริญในสกิทาคามิวัติอนาคามีวัตคนนั้นก็จะทะลุในภพภูมินั้นนะั้นหรืออรหันตมร ก, ก็ทะลุ ความเป็นพระอรหันได้เข้าสู่ความพ้นทุกไปได้เลยนั้นสำคัญคืออันนี้แหละในเบื้องต้นเนี่ยต้องทำใจให้มีความปกติให้มากๆเลลึกรู้เนี่ย่าไปอยู่กับอดีตอนาคตหลายนะมันไม่มีอะไรอยู่กับปัจจุบันของเราเองนี่แหละลลึกรู้เนี่ย ในอารมณ์วิปัสนาอารมณ์รู้รูปนามเนี่ยมันจะคลายกิเลสทําให้มันคลายกิเลสกิเลสที่มันเป็นสมมุติเนี่ยที่เราไปยึดติดมาตั้งแต่อดีตมานะมันจะเกิดการคลายภาษาเนะขาเรียกว่าการสํารอกกิเลสทำยังไงมันจะเกิดการสํารอกเราต้องกินความรู้สึกตัวเยอะๆนะบริโภคหรือเสพ้นกับปัจจุบันธรรมในมากๆ เห็นการเกิดขึ้นการตั้งอยู่การดับไปเห็นความหลงของตัวเองว่าหลงไปยึดมัน่นหรือมันเห็นความรักความชังการคลายกิเลสเมื่อใดก็ตามที่เราเห็นสมมุติเนี่ยมันจะเกิดการคลายอันเนี้ยโดยเฉพาะความงมงายะติดรูปติดเหรียญติดคาถาอาคมติดอะไรติดประเพณีพิธีกรรมพวกเนี่ยติดความเชื่อมันจะหลุดออกไปก่อนนะถ้ามันเกิดปัญญา กลายเป็นความรู้ความเข้าใจในหลักของปรมัตญาธรรมขึ้นมาศีลจะเริ่มชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นนะศีลนี่หมายว่าศีลสิกขานะศีลสิกขาจิตตสิกขาปัญญาสิกขานะศีลละขันขันห้าเราเนี่ยรูปมันเริ่มมีศีลมีความปกติ เวทนาก็มีศีลสัญญามีศิลสังขารวิญาณมีศิลคือเริ่มมีปกติในการเรนึกการคิดเกิดแล้วกระดับเกิดแล้วกระดับแล้เขาเรียกว่าเริ่มมีศีลที่เป็นปรมัตธรรมปรากฏเกิดขึ้นในจิตของเราเขาเรียกว่าสิญแบบปรมัตหรือเรียกอย่างนี้ว่าอริยกันตสิญสิญที่พระอริยเจ้ารักษาเขาไม่ได้รักษาศีลห้าสิญแปดสิ 8, สิบเหมือนญาติโยมว่า แต่ถ้าศีล น, นน้อยเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นศีลสังคมเนี่ยไม่สามารถที่จะปดับกิเลสได้แต่ศีลโดยปรมาจา์เนี่ยจุลศีลมัชจิมาศีลมหาศีลมันเรีย น, น, น, น, นสภาวะที่ปรากฏจากการปฏิบัติธรรมนี่พลมีสภาวะธรรมนี้มันก็จะไปขุดคุยนะสิ่งที่มันติดอยู่ในใจเราแล้วมาฝึกสติประมาณห้าวันเจ็ดวันบางทีสนิมในใจไม่หลุดนะ มันยังปกติอยู่เหมือนเดิมก่อนมายังไงออกไปก็เหมือนเดิมแบบนั้นน่ะเพราะความเอาจริงเอาจังเรื่องการสร้างเกติอารมณ์ตัวเองเนี่ยมันไม่มีงไงโอ้มันอยากคิดนะเนี่ยมันอยากพูดแต่นั้นเนี่ยมันอยากคุยแต่นัเนี่ยอาการนี้มันอยากง่วงนะเนี่ยมันอยากเงาเนี่ยนะเช่นโยมบางคนเขามาเล่าให้ฟังเมื่อคืนเขานั่งสร้างจังหวะ สองคนนั่งนานโน่นะนอนได้ประมาณชั่วโมงนึงก็ทีละครั้งแล้วก็ลุกมาปฏิบัติต่อมีหรือทางผู้ชายอายากมนะายากที่มีความเพียรมีความรู้สึกว่าเออต้องเดินทางละต้องเาออกาหน้ามีแต่เรารู้สึกว่าคืออยากพักผ่อนอยากหลับอยากนอนเมื่อยลร้เลย การหลับการตื่นมันก็ไม่รู้เราไม่รู้สึกว่าชีวิตเราที่เราทาเนี่ยการหลับการตื่นการนอนการพูดการคุยมันเป็นโมฆะทั้งหมดเลยโมฆะคือไม่อาจเห็นสัจธรรมท่านทาตัวศีลน่ปรากฏศีลก็จะเริ่มไปเฉือนเริ่มไปล้างใจตัวเองนั่นอดีตที่เคยไปทำอะไรมันจะผุดออกมาระดับไปผุดะระบ า, าหรือถ้าสติเราดี มันไปเห็นรากเง้าของการเกิดนะ อ, อ่างที่ว่านะความพอใจเพราะความดับหายแห่งความพอใจและความไม่พอใจในการก่อนการก่อนคือมันสะสมมาตั้งแต่เกิดเนะี่ยแล้วมันทําให้เราไปคิดแว บ, บไปตัวนั้นแว บ, บไปตัวนั้นแวบตัวไปแล้วมันก็มาเป็นกายกรรมวจีกรรมพฤติกรรมเราออกมาเนะี่ยปัญญาในการรู้ฐานกายเนะี่ยมันจะไปสลายภาวะนั้น รูแจ้งอันนั้นแล้วเกิดการสัมลอกออกมาะแล้วมันก็ดับฟุบไปเลยแล้วก็หายไปเกิดมาเอ้าอันนี้ก็มีเนาะอันนี้ก็มีตั้งแต่เล็กแต่น้อยเรื่องนั้นเลยนี้เกิดมาดับไปแต่ดับหมดเลยอ่ะบางคนน้ําตาไหลบางคนถ้าสติดีหน่อยก็เห็นมันเกิดมันดับอยู่ๆมันก็ฟุบไปทีเดียวแล้วก็หายไปหลังจากนั้นเราก็ไม่ทุกข์เพราะอดีตแล้วอ่เพราะมันสัมลอกอดีตออกไปแล้วไม่มีเนี่ย ไม่มีที่จะมาเป็นทุกข์เหมือนเมื่อก่อนนั่งอยู่คนเดียวเฉยๆเนี่ยความคิดอดีตจะมาแล้วเคยรักใครชังใครโกรธใครประทับใจอันไ น, นเกลียดอะไรเนี่ยมันมาแล้วทําให้เกิดอารมณ์แต่ถ้าเกิดวิปัสสนาญาณเนี่ยมันจะล้างอดีตหมดไปจากใจปัญญามันเกิดขึ้นในดังนั้นเราไม่ต้องห่วงว่าการรู้กายและเลึกรู้เนี่ย มันจะมีผลน้อยกลัวจะไม่เข้าใจธรรมะไมอยากดูความคิดดวมอันนี้สงของการรู้กายกายรู้ศัสนาถ้าทําให้ต่อเนื่องจริงๆเนี่ยมันจะทําให้สติปัฏฐานสี่เนบริบูรณ์สติปัฏฐานทั้งสี่เนี่ยจะบริบูรณ์เพราะการรู้กายเนี่ยสติปัฏฐานสี่บริบูรณ์ก็จะทําให้อริยสัจปรากฏชัดเจนขึ้นมา คนไหนใส่ใจกับการระลึกรู้การดูอยู่กับกาย<ม>เห็นกายก็ส่วนหนึ่งก็คือความเหนื่อยหน่ายคลายจางกับการยึดติดในกาย<ม>แล้วไหนคนพอใจนี่ในร่างกายอันนี้บางคนเกลียดชังมันบางคนรักมันรักก็ตามชังก็ตามมันก็ไม่รู้กับเรามันไม่รู้ว่าเรารักมันไม่รู้ว่าเราชังมัน ไม่รู้ว่าเราพอใจไม่พอใจเมื่อเรารักใครเนี่ยไม่มีใครอะที่เขาจะรักเขาจะรู้เราเกลียดใครชังเข า, เ, าเขาไม่รู้เขาก็อยู่ของเขานาะแต่ตัวเราเนี่ยเป็นทุกข์เรารู้ของเราเองดังนั้นความรักที่มีต่อร่างกายสังขารเนี่ยเวลารู้จักสมมุติมันก็จะเกิดการคลายคลายการยึดติดกับรูปเนี่ย มันเหนื่อยหน่ายคล้ายจางถ้าเรารู้สึกตัวเฉยเฉยเนี่ยแล้วมันไม่รู้สึกเหนื่อยหน่ายคลายจางต่อกิเลสอาสวะทั้งหลายต่อรูปต่อนามเนี่ยอย่างจิตมันไม่สามารถจะพลิกไปเป็นปัญญาได้ได้แต่สมาธิอย่างรู้ตัวโอ้โล่งโป่งเนาะวันนี้ก็จะได้แค่นั้นน่ะอแต่ยังไม่เกิดปัญญา เพียงแต่ว่ารู้ว่าจิตเป็นสมาธิเป็นแบบนี้นันเอเขาเนบอกว่าอย่าไปติดไงอะไรเกิดขึ้นก็อย่าไปติดมันอยู่กับการรู้ตัวทั่วพร้อมให้ชัดเจนแล้วสังเกตนะสังเกตอย่างที่เราสวดเมื่อกี้นะว่าสติสำโพชงอันดับ แ, แรกของการก้าวเดินทางธรรมเนี่ยเมื่อเราจะเจริญสติแล้วเราสามารถใหม่ๆคนรู้รูปนามก็คือสามารถแยก สติออกจากความคิดเป็นนะครมีความรู้ตัวทั่วพร้อมกันมาโอ้สติเป็นอย่างงี้เนาะสติดับทุกเป็นอย่างนี้นะเนี่ยแยกเป็นแต่ยังไม่เป็นวิปัสนารู้โูกนามเนี่ยรู้อารมณ์โลกนามยังไม่เป็นวิปัสนาแต่มันเริ่มแยกเป็นแยกว่าเออเราทุกเนี่ยเพราะความคิดนะแต่มันยังไม่เห็นชัด ทีนี้ทายังไงมันถึงจะเห็นก็เริ่มรู้แล้วเริ่มรู้ว่ารู้สึกตัวเป็นยังไงทีนี้พอเรามารู้สึกตัวทุกพร้อมเนี่ยทําพอรู้รูปนามเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นโสดาปฏิมักโสตาปฏิมักรเริ่มเห็นทางแล้วโอ้ปฏิบัติทำไปทางนี้เนาะนี่การทําลายกิเลสทํานี้นั่นเนี่ ย, ย, เ, เ, ยเป็นมักแต่ไม่ใช่โสดาบันนะนั้นในเบื้องต้นพอรู้รูปนามอยู่กับปัจจุบัน แล้วเดินทางเนี่ยมันมีโอกาสเปลี่ยนแปลงมีการดับมีการเสื่อมพวกนี้ส่วนมากคนปฏิบัติทำใม้ใจรู้แบบเนี้ยแล้วก็เสื่อมไปกลับไปก็ไม่ได้ทําต่ออะไรประมาณนะี้เพราะว่ามันเนี้ไม่เป็นผลเลยนะแต่พูดได้คุยได้แต่จิตมันไม่อ่อนให้ใจมันไม่ดีบางคนหลงเลยซ้าไปว่าตัวเองรู้ธรรมะเห็นธรรมะเข้าใจธรรมะอะไรปรนะมาณนี้มันผิดไหมมันก็ไม่ผิดนะแต่มันเห็นกระติดเดียว ะเห็นทางไม่ใช่เป็นผู้เห็นทางเห็นทางออกไปทางนี้โอ้สติเป็นนี้นะเนี่ยถ้าสติมีความคิดมันหายนะเนี่ยมันเริ่มรู้เราก็ตั้งความระลึกรู้นี่แหละเอาความระลึกรู้เนี่ย ม, ม, มาทํางานบางคนอาจจะรู้ทีเดียวพลุบทีเดียวเลยแจ้งทีเดียวแต่บางคนค่อยๆรู้มาปฏิบัติครั้งนี้ก็เริ่มดีขึ้นครั้งที่สองก็เริ่มดีขึ้น ค้งที่สามก็รู้เพราะได้ยินได้ฟังไปบ้างทิฏฐิมานะก็เริ่มคลายไปคลายไปก็เรียกว่าอนุพุทธารู้ตามเป็นผู้รู้ตามแต่บางทีรู้แจ้งเป็นอะไรเขาเรียกว่าเป็นปัจเจ ก, กพุทธเป็นภาวะที่ผดขึ้นมาเองเนีเหมือนผลไม้นี่แหละหล่นลงกับเอาไปบ่มเมาบางทีพยายามเอาไปนึกคิดพิดจรารณาเหมือนดอกบัวกลางน้ำเนะ่ ไปพิจารณาแต่ตรองแนละนี่ก็จะเริ่มเข้าใจเริ่มปล่อยเริ่มวางแต่เวลามันจะเป็นมรรคผลเนี่ยมันจะต้องเกิดปัญญารู้แจ้งจริงๆนะต้องเกิดญาณนะทัศนะการเห็นด้วยญาณไม่ใช่เห็นด้วยความคิดนะถ้าเห็นด้วยความคิดมันก็ไม่มีเปลี่ยนแปลงอะไรนั้นถามตัวเองหน่อยเถอะมันจะมีโอกาสเป็นไหมที่กูทําแบบ น, นี้กูมาปฏิบัติธรรมเนี่ยกูจะเห็นกับเขาไหมหรือเปาเนี่ยก็สามตัว โพชเนมัตตัญญาู้จ ก, การกินสํารวมอินทรีย์่าพูดจะคุยกันชาคริยาโนุโยกขยันทำความรู้ตัวให้ต่อเนื่องฟันฝ่าอุปาสังนิวรนทั้งหลายไปให้ได้ถ้าเหมือนคนตายแล้วเนี่ยมาอยู่นี้อย่าไปสนใจใครเวลาหลับเวลานอนกับใครของมันนั้นเวลาไปปฏิบัติธรรมเขาต้งแยกให้นอนคนละคนนอนคนละที่คนละทางว่าอะไร นอนก็ไคนโงน่มันจะพูดคุยอ่แะแตมันก็เทือนไปถึงคนอื่นที่กำลังมีสมาธิแล้วได้ยินเขาพูดคำหนึ่งมันก็เก็บมาคิดไเหน็นไหมจิตที่เําเริ่ตากดีๆเนี่ยเขาไม่ให้มลแรงวันมาตอมเราปฏิบัติทำแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยปฏิบัติหาความเข้มของสติมันใกล้จจแห้งแล้วฝนตกมาอีกแล้วเปียกแล้วหาเรื่องมาคิดให้อีกแลเสียอันเนี้ยมันจะมีผลต่อการเข้าใจสัจธรรม โดนตายจริงว่าคนไหนเอาเต็นท์มาในกลางนอนคนเดียวเลยสบายไม่ต้องไปใส่ใจใครแบบนั้นอาจจะง่ายอยากหลับตอนไหนก็หลับอยากตื่นตอนไหนก็ตื่นไม่ต้องไปเห็นหน้าคนที่เราความลาคาญเหมือนเส้นทางนี้จะต้องทําให้จิตเป็นหนึ่งเดียวนะหนึ่งเดียวในทุกินื้อบทความทั้งว่าจิตมันเข้าสู่สภาวะธรรมมัน ในจิตเรานี้สกรปรกมากมายหลากหลายเพราะเป็นเหมือนขันเหมือนพาชนะที่ใส่อารมณ์มาตั้งแต่เกิดมาอารมณ์ที่อยู่ตื้นต้นมันจะเป็นประเภทฝังอยู่ในใจเราเนี่ยมีกามมีทิฏฐิมีอัตตามีความยึดติดในประเพณีวิธีกรรมเขาเรียกว่าอุปทานกามทิฏฐิอัตตา แล้วก็สีละประตุปาทานการฝึกแบบเล่นๆติดฝึกแบบเล่นๆ เ, เอาเรียกว่าสีละประตุปาทานแปลว่าการฝึกถือการฝึกยึดถือรูปแบบมาปฏิบัติแบบนั้นได้ผลปฏิบัติแบบนี้ไม่ผลแต่ทำแบบเล่นๆ น, นะสีละประตูปแปลว่าแปบลบว่าการทำแบบรูปๆขำๆการทำแบบรูปๆขำๆไม่เอาริงเอาจังนั่งสมาธิสัจมวงเนือง พอนอนตื่นมากรรทธรทีนิดหน่อยๆพอเป็นอุบนิสัยแบบปัจจัยและมีความเชื่อว่ามันจะดับทุกข์ได้อะไรประมาณนี้หรือบางทีก็อ้อนวอนอธิษฐานสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนมีความเชื่อว่าจะมีศักดิ์ศิีมาดลบันดาลให้อะไรานี้ทำธุรกิจทำนวนทำนี่บนบานสานกล่าวพวนี้เขาทัเรีกว่าถือวัดแบบรูปๆคำๆ ไม่สามารถที่จะเข้าไปเห็นแก่นมันได้ดังนั้นความทุกข์ของมนุษย์เรานี่ไม่ได้มาจากไหนได้มาจากความสะสมอารมณ์ของตัวเองท่านถ้าเกิดมานี่แหละเราเกิดมาเนี่ยเรารักใครชังใครโกรธใครเกลียดใค ร, ใครมันสะสมไปหมดเลยดังนั้นความคิดที่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นเพราะอันเนี้ยเป็นเชื้อเขาเรียกว่าอาวิชชาที่ผ่านมาเราไม่รู้ตัวเลยเวลาเราคิดเห็นรู้ตัวไหมรู้ว่ามันคิดได้นะปรุงแต่งนะ รู้แจ้งจนงรทังรู้แจ้งว่ามันเป็นทุกข์นะนี่เราไม่เคยมีมาปฏิบัติธรรมจึงมาทำให้มันเกิดปัญญารู้สึกตัวรู้ตัวมากขึ้นเป็นสมาธิเป็นการรู้แจ้งเป็นความอย่างรู้นะทีนี้เรารู้สึกตัวเนเราได้รู้สึกตัวนน้อยแล้วก็รักษาไม่เป็นเรารักษาสติเราไม่ได้เพราะรักษาไม่ได้ แทนที่มันจะได้กําไรชีวิตเริ่มโ ต, โตขึ้นโตขึ้นสติมันก็ไม่โตวันนี้เริ่มดีๆขึ้นแล้ววันพรุ่งนี้ก็เหมือนเดิมวันนี้สงบวันพรุ่งนี้ก็พุ่งซ่านเพราะความสำรวมไม่มีความเพียรมันน้อยนั้นเส้นทางนี้ไม่ใช่เส้นทางของคนโง่นะปฏิบัติธรรมเนี่ยเส้นทางของเป็นคนจริงเอาจริงเราจะรู้ของจริงจริงๆเนี่ยรู้จักปฏิเสธคนเป็นมาปฏิบัติธรรมเนี่ย จะไปใส่ใจเออปฏิบัติจบไปเอาค่อยรู้จักเหมือนไปหามหมอในโรงพยาบาลนั่นแหละแปหามหมอเขาว่าเยี่ยมเวลานี้แต่เยี่ยมเวลานี้เอาห้ามกินอันนั้นนะมันสแสลงอันนี้นะอะไรประมาณนั้น mm hmm. ก็อย่าไปยุ่งกับมันถ้าคนไม่เชื่อไม่ฟังหมอในโรงพยาบาลเขาก็ให้เอาหนีมันเป็นภาระแล้วเขาก็ไม่มีความสามารถจะรักษา ก็เพราะเราลำธรรมลำเล่นหน้ตหัวนั่นแหละพุทธศาสนาจึงไม่เฉริญขนาดเราทําจริงทําจังเนี่ยเงื่อนไขปัจจัยมีโอ้ยมากมายหลากหลายมันไม่ได้ใช่จะมารู้สึกตัวรู้สึกตัวแล้วจะบรรลุธรรมนะมันต้องอบรมกายภาวิตากายภาวิตาจิตภาวิตาเียเนี่ยอบรมกิริยามารยาทอบรมการนั่งการนอนการหลับการตื่นนะการแสดงออกมากมายหลากหลายนะ เคำว่านวดจระทั้งว่ามันปกติมันสมควรแก่การรู้ธรรมนั่นแหละยกว่ากรรมนิโยสมาธิแบบพุทธเนี่ยมีกรรมนิโยมีปริสุทธโธมีสมาหิโตโธโยงประกอบของมันก็คือบริสุทธนะิ์น่ะโ ล, งลง่งโปร่งสองตั้งมั่นสมาหิโตคืออะไรกระทบก็ไม่หวั่นไหวลืมตาอ่าปาก ใช้ชีวิตได้ยืนเดินนั่งนอนแต่ไม่หลุดเ็าเรียกว่าสมาหิตโตมาตั้งมัน่นแต่ถ้าลืมตาขึ้นกะหายเวลาพูดคุยก็หลุดโอ้ยห่างไกลไอ้นี่กรมมกร ม, มนิโยกรรมนิโยพร้อมมันมีความพร้อมรวมเป็นหนึ่งพร้อมที่จะเจาะแทงทะลุอารมณ์ที่ขวางอยู่ข้างหน้าพอทะลุปุ๊บก็เป็นผลเนเี่ยจากความเป็นมรรคจะกลายเป็นผลชีวิตเนี่ย ที่ทำมันไม่แหลมคมพอความรู้สึกตัวไม่เป็นหนึ่งเดียวให้มันไม่เป็นให้อันนั้นนั้นทฤษฎีของ พ, พระพุทธเจ้าก็ไม่มีอะไรนะที่เกินความสามารถของพวกเราที่จะทําไม่ได้ได้หมดแหละถ้าคิดจะทําเนี่ยทีนี้การทําความเพียรเนี่ยมันอาศัยการเกิดกําลังใจการทํากําลังใจ ได้กำลังใจมาจากเราอธิษฐานไว้อธิษฐานทำเพื่อพ่อเพื่อแม่เพื่อบูชาครูบาอาจารย์นะอธิษฐานว่าให้คือที่สุดก็คือคําอธิษฐานทั้งหมดนะเพื่อให้ตัวเองไม่เป็นทุกข์ทำเพื่อคนนั้นแต่ถ้ามันฟุ้งซ่านเดี๋ยวมันยังไม่ได้แล้วอยากทําให้มันพ้นทุกข์คำสวดทำวัดคําตรวจน้ํายิมินา เขาก็พูดถึงเรื่องความเพียรต้องเป็นเลิศเป็นเครื่องขูดกิเลถายไม่ใช่คำประหยัดน้ำให้คนนั้นคนนี้นะคำจัดมานไม่เปิดโอกาสให้กับมานมาโลกาสังละพันตุมามานที่จะเข้ามาเนี่ยชำะระล้างเอาอไว้โมดแล้วทำให้ต่อเนื่อง เมืเราหยดน้ําที่จะหยดหยดหยดหยดมากขึ้นมากขึ้นเด้วมันจะไหลใหญ่โตขึ้นมาเองห่วงน้ําที่หยดอยู่เรื่อยๆย่อมยังสมุดสาครให้เต็มได้จากไหนเขาบอกว่าการเจริญสติการบำเป็นภาวนาถ้าคุณทําได้ต่อเนื่องก็จะเหมือนน้าที่ยังสมุดสาครให้เต็มได้ฉะนั้นเขาจงให้มีการตรวจน้ําไงเห็นไหมถ้าเรารู้สึกตัวต่อเนื่องหายใจต่อเนื่องเคลื่อนไหวต่อเนื่องและลึกรู้ต่อเนื่อง ปัญญาการรู้เที่ยงก็เกิดได้จริงๆครับก็จะเกิดการล้างใจได้จริงๆต้องมีน้ําเยอะๆนะั่นจริงจะล้างใจได้ถ้าทำวันละน้อยแต่น้อยวันละหยดสองหยดเนี่ยยันล้านหยดแต่ก็สปกปรกเหมือนเดิมหยดทีละน้อยแต่น้อยล้างเท้าเนี่ยล้างทีละหยดล้านหยดนยทะทําวันลหยดสองหยดเนี่ยมันสปกปรกเหมือนเดิม เขาจื่นอยากให้มาทําต่อเนื่องเลยไงเจ็ดวันเนี่ยให้มันได้น้ําเป็นถังเลยทีเดียวแล้วเท จ, จากก็ไปเลยคือรู้สึกกับกายนี่้เยอะๆแล้วสุดท้ายก็คือโหมการรู้แจ้งเกิดขึ้นเลยรู้ตัวทั่วพร้อมเกิดขึ้นแล้วจะไหลจากนะล้างใจมันจะล้างใจเราออกไปเลยแต่ถ้าเรากําหนดรู้ทีละน้อยละน้อยวันนี้ได้สักนาทีหนึ่งแล้วก็นอนมันล้างไม่ได้ คือมันไม่เกิดการแจ่มแจ้งเรารู้สึกตัวธรรมดากับการเททั้งถังเนี่ยจะคนละอนกันนั้นมาอยู่ที่นี่อาศัยการทุ่มเททุ่มเทการปฏิบตัติเพื่ออาศัยให้เกิดความต่อเนื่องของสติสัมปชัญญะเราไม่ต้องไปคิดถึงใครนะไม่ได้ทําเพื่อใครเพื่ออะไรยังไงใครจะอยู่ใครจะไปใครจะหายใครจะมีจะเป็นไม่มีความรักให้ไม่มีความชังให้ เหลือแต่รู้ลุ้นๆชีวิตเราเนี่ยคนที่สำคัญที่สุดก็คือคนที่ตั้งใจปฏิบัตินี่แหละเราให้ความสำคัญกับคนที่ขยันคนที่ตั้งใจคนถ้าไม่ขยันไม่ตั้งใจมันก็ไม่เกิดผลประโยชน์อะไรนะกับชีวิตเขาเนี่ยคนขยันคนตั้งใจจะมีความรู้สึกกลัวหลงทางช่วยประคับประคองให้อยู่ในทาง ฟังเทศฟังธรรมศึกษาปฏิบัติให้เกิดปัญญาไงให้มันพ้นไปโอ้คนนี้พ้นไปแล้วคนนี้เข้าใจอารมณ์นี่ไปคนนี้เข้าใจอารมณ์นี้ไปมันก็จะพอกคูณขึ้นเรื่อยๆนะสติปัญญาจนกระทั่งว่ามันเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจิตเห็นจิตนะเมื่อก่อนในจิตเห็นกาย แต่พอไปดูความคิดมันหลุดไปเลยความคิดก็หลุดไปเลยต่อมาฝึกมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมันเป็นปรมัดคือจิตเห็นจิตมันเหมือนสองคนอยู่ใกล้กัน่ะคนหนึ่งขยับคนหนึ่งก็รู้ะแต่มันไม่ติดกันนะเหมือนน้ากับน้ํามันอยู่ด้วยกันน่ะแต่มันไม่ใช่อันเดียวกันสติสัมผัสอยู่กับจิตก็ไม่ใช่จิตแต่มันเป็นตัวรู้ว่าจิตคิดจิตไม่คิดจิตปรุงแต่งไม่ปรุงแต่งนั่นเขาเรียกว่าเข้าถึงสภาวะปรมัตด เรียกว่ามีสภาวะประมัต ธ, ธรรมอยู่ในใจทีนี้การจำระกกิเลสจะเป็นเรื่องความละเอียดตรงไปอีกแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนอยู่ในสภาพนั้นนะจะไม่คืนนะปฏิบัติธรรมแบบนั้นมันมันอยู่ที่ว่ามันรู้ด้วยญาณแจมแจ้งดีไหมหรือว่ารู้แบบพพเพียงผิวเผินนิดหน่อยแล้วก็หลุดนี่นะเฉั้นคนปฏิบัติธรรมก็จะมีความรู้สึกว่าอืม ความโลภโกรธหลงเนี่ยถ้าเราตัดความคิดได้บ่อยๆความปรุงแต่งบ่อยๆบ่อเข้าใบ่อยเข้าไปเข้าเนี่ยนั่นแหละคือการทําลายสมมติในจิตเรามันจะเริ่มดับไปดับไปดับไปดับไปทีละน้อยกรรมในอดีตที่เราสั่งสมมานะชนะกับกรรมอุปปีแล้วก็รรมอุทรรมพระกรรมจะกรรมสิบสองสิบสามอะไรก็ตามมันเกิดขึ้นมาเนี่ยเราเห็นแล้วก็ตัดไปเรื่อยๆตัดไปเรื่อยๆ บางทีเราใช้นี่กรรำนะถ้าเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะรู้สึกว่าสิ่งที่เราไม่ไม่เคยเห็นมันก็มาเราลืมไปแล้วกว็ปรากฏเขึ้นกับจิตเราเรื่องนั้นเราลืมไปแล้วเรื่องนี้เราไม่ได้ใส่ใจแล้วเรื่องที่เป็นแผลลึกๆในใจเราเนี่ยมันจะวับขึ้นมาเขาเรียกว่าเป็นมารมารมันจะมารบกวนเรามารมันจะมาเอาส่วนบุญเราเราปฏิบัติธรรมเนี่ยจะเจ็บปวด คว่านี่เราก็ฝึกสติโจทั้วว่ามันเอาไปหมดนั่นแหละจนมันอิ่มเลยนะเรื่องนี้มันมาเนะี่ยมาจนกระทัา่ามันหมดความสงสัยมันไม่มาอีกแล้วมันเห็นแล้วมันเข้าใจแล้วปล่อยวางได้สำหรับเรื่องนี้คิดอีกสามรอบก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรไมีผลต่อชีวิตเคยกวดเคยเกยบเคยชังเคยประทับใจเคยบาดเจ็บในชีวิตมา มองเห็นก็เฉยได้ทําำจนถ้ามันเฉยเป็นนะมันเฉยเป็นคือมานมันอิ่มตัวแล้วมันมากินส่วนผลส่วนผลคือวิปัสสนาเรานี่นะเนี่ยนี่เราใช้นี้นะเนี่ยปฏิบัติทําเจริญสติเนี่ยใช้นี่เก่าเอาให้มันเอ้ามันปรุงแต่งเรื่องนั่นก็มาเอาไปเรื่องนี้ก็มาเอาไปเราฆ่าไม่ตายบางอย่างเนี่ยฆ่าไม่ตายก็ชดใช้นี่มันไปะ ช่ใช้แบบไหนเอ้ามันก็คิดแล้วคิดอีกคิดจนถ้ามันหยุดคิดนั่นแหละมันอิ่มแล้วเรื่องนั้นมันจบแล้วอืมเอาเรื่องใหม่เอามาตัวไหนอยากกินก็นมาเฉยได้เรื่อยๆพีสา ต, ตัวไห น, นพิหาซาตานตัวไห น, นพิบากกรรมตัวไหนมาออกมากรรมดีกรรมชั่วนะกระตัดตากรรมกรรมศักดิ์ว่านะแล้วแต่ก็จะมาอาวิชา ตัณหาอุปทานกรรมชีวิตเนี่ยมีอวิชามีไม่ความไม่รู้แจ้งก็จะเกิดตัณหามีตัณหาก็จเจอความยึดติดเป็นอุปทานพอมีอุปทานก็จะเกิดชาติชรามรณะนะเกิดการทำกรรมขึ้นมาทีนี้เราปฏิบัติทำเนี่ยทำยังไงอ่ะถ้าเรารู้แท้ๆรู้แจ้งจริงๆสติสัสมปชัญญะกจะอยู่เหนือกรรมเหนือกรรมคือมันคิดมันก็อยู่เหนือความคิดเนี่ย ความโกรธความโลภความหลงมาอยู่ข้างล่างแล้วก็ดับไปเลยแต่จิตเราอยู่ข้างบนเขาเรียกมาเหนือเมฆทำนี้เขางเรียกว่าโลกุตระธรรมโลกุตระธรรมทำผลโลกเี่ไม่ใช่โลกียะธรรมแ้วโลกียะธรรมก็คือทำต่ําๆทําแบบลกโลกลาบยศเสนเสือญพวกนี้อยดังโลกโลกโลกก็คืออันนี้จังเลยแหละโลกมันไม่เที่ยง มันไม่ยึดติดเห็นแม้เราเลี้ยงสัตว์ตัวเล็กๆเรารู้อยู่อายุมันเดียวมันก็ตายอ่ะเราจะเตรียมใจไว้เลยเราไม่ค่อยยึดกับมันแต่อะไรที่มันใหญ่ๆตัวโตรถคันแล้วเป็นล้านเนี่ยเราจะมีอุปทานเยอะขึ้นมีอะไนั้นมีนี่คือมันจะยึดติดมันจะไม่ค่อยออกฮะเขาเรียกว่าอุปทานยิ่งความอยากเรามีมากเนี่ยเราก็จะยึดติดมาก อะไรก็ตามที่เอามาด้วยยากเนี่ยมันจะยึดติดมากนะธรรมะก็เหมือนกันอย่าไปยึดติดมันนะเห็นแลอย่าไปยึดติดมันรู้เอายากก็จริงนะแต่เข้าใจแล้วคือปล่อยวางอเ น, นี่ยวางเฉยๆนะคนที่จะเข้าใจธรร ม, มะนี่ต้องเป็นคนซื่อนะไม่มีมัญญาสาไถแต่ถ้าเป็นคนมีมัญญาสาไถตลบตะแลง เป็นคนปิ้นปั้นยา <Yeah. S 2> กโรคภัยไข้เจ็บน้อยอย่างว่าแล้วเนี่เวทนาพอประมาณถ้าจะไม่ให้มีเลยคงไม่ได้เพราะมันมีนี่แหละเราจึงอยากจะออกจากมันเป็นแต่ถ้ามันไม่มีเราจะไม่รู้จะออกยังไงเนะ่ะออกจากทุกเนี่ยมีร่างกายจึงอยากออกจากร่างกายมีทุกจึงอยากออกจากทุกถ้ามันไม่ทุกเลยเนี่ยมันจะไปออกอะไระมันก็หลงอยู่นั่นแหละ และนันการชำระล้างความคิดที่เป็นปรากฏเกิดขึ้นผุดออกมาในใจเราอยู่เรื่อยๆทำไ่เรื่อยก็เหมือนกับการเริ่มต้นของการทำลายความโลภความอยา ก, ากาเนี่ยความโกรธความหลงเนี่ยคนไหนที่เห็นอารมณ์พวกนี้เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเห็นจิต ในจิตแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นปรมัตถธรรมอมืสามารถดูขันธ์ห้าเกิดดับเริ่มได้แล้วในหัวเนี่ยนั้นคนไหนปฏิบัติประครองตัวเองอยู่นานๆเนี่ยสภาวะธรรมอันนี้มันจะปรากฏเกิดขึ้นแล้วความละเอียดมันจะเริ่มมีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความสุขถาว่ามีไหมมันไม่มีอ่ะแต่ก็ยังมีทุกอยู่ทุกอะไรทุกไอ้เรื่องที่ข้างหน้าที่ยังทําไม่ได้เนี่ย แต่จะจะให้ทุกเหมือนเมื่อก่อนเมื่อคนอื่นเป็นแล้มันไม่เป็นแล้วอันนั้นมันคลายแล้วมันคลายกิเลสตนออกไปจะมีสภาวะทำรู้ตัวได้ไวขึ้น่ะคือทําอะไรก็ทำนะไม่ทมันคิดก็มาเคยรู้ไวเราเดินไปเดินมาเราทํานูน่นทํานี่มันลืมเนะ่ยมันจะรู้เร็วขึ้นเร็วขึ้นไวขึ้นไวขึ้นจนกระทั่งว่าคิดปุ๊บรู้ปุ๊บคิดปุ๊บรู้ปุ๊บอยู่ข้างในย น่นเขาก็ไม่มีโอกาสปรุงแต่งเมื่อมันปรุงแต่งไม่ได้มันจะเริ่มรับสารภาพมันโจรจับถูกจับเนี่ยทำอะไรก็ไม่ได้ปฏิเสธอย่างนั้นก็ไม่ได้ทำนี้ก็ไม่ได้ในที่สุดยอมรับสารภาพดีกว่าเนี่ยจิตก็เหมือนกันถ้าสติควบคุมมันดีๆนะและลึกรู้อยู่มันไม่ให้ไปไหนมาไหนเนี่ยเราเรียกเป็นสมาธิจิตเป็นสมาธิหมศีลสมาธิปัญญา มีสมาธิแล้ลึกรู้อยู่เนี่ยพวามันคิดปุ๊บคิดไปไม่ได้เรารู้เลยมันกระดับนะมันอย่างไร้นี่มาเห็นมันมันอยากปรุงแต่งไปไม่ได้รู้มากเข้ามากเข้ามากเข้ามันไปไหนไม่ได้มันก็ต้องยอมรับส ร, รภาพยอมรับสา ร, รภาพไม่เรียกว่าคลายความลับทั้งโลกแต่ของจิตเนี่ยเขาเรียกว่าการคลายกิเลสเรียกว่าการสํารอกยอมสา ร, รภาพออกมา ออกมาปุ๊บถ้าออกมาอย่างนี้เราเห็นด้วยญาณที่เราฝึกมาสติสัมปชัญญะที่มันมากเนี่ยเห็นแล้วมันจะดับไปเลยนะเห็นแล้วมันจะดับแล้วมันไม่เกิดอีกทีเนี่ยแต่คนเรามันคิดมาแล้วก็ดับไปแล้วก็เกิดอีกคิดมาแล้วก็เกิดอีกเรื่องเก่าเนี่ยเพราะอะไรเพราะพลังของสติสัมปชัญญะเราน้อยนะไฟในการแผดเผาเนี่ยมันน้อยมือนย่างปลานี่แหละความร้อนไม่พอเดี๋ยวมก็นเน่าอีก ตอนไปตากแดดอีกดีขึ้นวันนี้ก็ไปตากแดดอีกตากแดดอีกจนทํามันแห้งแล้วเนะี่ยเอาไปทิ้งไว้ที่ไหนก็อยู่ไม่เน่าใจก็เหมือนกันทำง่ายมันจะหายเน่าได้นะแล้วต้องแผ่มันออกข้างในปากออกท้องมันแผ่ออกคือเปิดเผยในตัวเองมันมีอะไรช่างหัวมันจะยอมรับได้แต่ก่อนเราไม่กล้าให้มันคิดเรื่องนั้นถ้าคิดเรื่องนั้นเราก็เศร้าหมองคิดเรื่องนั้นเราก็มีตกกลงวันเป็นทุกข์ แต่ต่อมาเราไม่กลัวละไม่กลัว แ, ววแต่หลายๆคนก็จะหลงทางนะจังหวะภาวะอันเนี้ยมีความโล่งความโปร่งขึ้นมาเกิดความสว่างเกิดสว่างขึ้นมาที่กลางใจมันจำแจ้งอยู่ภายในเนี่ยมันจะโล่งมันจะโปร่งขึ้นมาจะเริ่มเข้าใจอันนั้นเข้าใจอันนี้ขึ้นมาบางทีเราก็หลงหลงไปกับความรู้อันนั้น เขาเรียกว่ามันเกิดวิปัสนุปกิเลสกำลังเป็นวิปัสนารู้แจ้งดีๆดันหลงไปกับความคิดซะคือวิปัสนุคือหลงทางนั่นเองหลงไปกับความคิดดีความภูมิใจความเข้าใจหลงไปกับความรู้เนี่ยหลงไปกับสภาพะสบายสงบหลงไปอยู่คนเดียวหลงเทศหลงซ้อนหลงวิจกวิจารมาเนี่ยหลงทาง สิ่งที่คนทําคือกลับมาอยู่กับปัจจุบันที่เฉยบางคนพอทําได้แล้วบุกเต็มที่เลยพราะมันไม่ได้นอนดีกว่าว่ะเบื่อหน่ายนะแล้วค่อยลุกมาทำใหม่ประมาณนั้นมันจะเริ่มมีทิฏฐิมาฮนะจะกลายเป็นวิปัสสนาบางทีพอจะรู้อะไรมากมายเนี่ยมันจะเริ่มมีความรู้สึกว่าเคยกูก็เริ่มมีแล้วนะกูก็เป็นนะมันจะมองออกไปข้างนอกแล้วจะเห็นคนอื่นว่าไม่ดีเท่าเรา หรือเราดีเริ่มดีเท่าขเขาดีกว่าเขาเราเริ่มมีดีเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดความสําคัญมั่นหมายแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยจิตมันจะติดอารมณ์มันจะไปข้างหน้าไม่ได้แต่ถ้าคนคอยสังเกตตัวเองสัมผัสเสมอเนี่ยปัญญาเกิดได้ง่ายปัญญาเห็นธรรมเนี่ยเกิดได้ง่ายความต่อเนื่องก็ไปได้ง่าย สังเกตดูนะคนปฏิบัติธรรมส่วนหนึ่งที่ไม่ค่อยก้าวหน้าเนี่ยอฮีรีโอตปะเขาน้อยเพราะฮีรีโอตปะน้อยเนี่ยเวลาเข้าใจธรรมะปุ๊บอัตราตนมันจะขึ้นสูงนะเริ่มมีตกวิจารณคนโน้นคนนี้เป็นเนะี่ยคนแบบนี้เนี่ยเห็นธรรมยากลึกๆเนี่ยมารยาทมันไม่ค่อยมีเขาเรียกว่าฮีรีโอตปะมันไม่ค่อยมี ทำที่เป็นเทวดาทำแล้วจะสังเกตว่าคนรู้รูปนามถ้าเขาประกอบด้วยหิริโอตปะมีความละอายใจมีความสงบสงเงมเตรียมตัวมีความนอน้อมขึ้นมาเนี่ยคุณจะทำหลังจากนั้นให้เขาจะเดินเร็วขึ้นคือคยคยอย่าง น, น้อยเรารู้สึกว่าพอเขารู้ปุ๊บเนี่ยตัวตนเขาจะน้อยลงมันเหมือนมันสลายลงไปอ่ะแต่บางคนคุยธรรมะอดิบอดีอย่างโน้อนอย่างนี้อันนั้นน่ากลัว ถามว่าเขารู้ไหมเขาก็รู้แต่ว่าอนาคตของเขาน่าจะเดินช้าแต่บุงคนเฉลียวใจนะฟังวันหนึ่งคือหนึ่งนึกได้เนี่ยความรู้สึกเปลี่ยนทันทีชีวิตเขาเนี่ยสามารถเดินไปข้างหน้าได้เรื่อยๆสามารถเห็นสัจธรรมไปได้เรื่อยๆนั้นถ้าอยู่ปฏิบัติธรรมเอาสามเดือนเนี่ย ก็สามารถทะลุมิติอันเนี้ยไปได้ดับทุกได้แล้วเก้าสิบวันเนะี่ยแต่คนมันไม่ค่อยเอาจริงเอาจริงไปานานนะถ้าความคิดไม่ค่อยมีนะความโลคโกรธหลงก็ไม่ค่อยมีพอความโลคโกรธหลงไม่ค่อยมีพอดับความคิดได้เร่ๆๆส ม, มุติทางจิตไม่ค่อยมีพลังพลังของสมาธิ ต, ตรงนี้เนี่ยศีล จิตทิฏฐิคือความเห็นพอจิตมันตั้งมั่นมีศีลตั้งมั่นมีจิตตั้งมั่นนะการเห็นทิฏฐิคือความเห็นเห็นอารมณ์เนี่ยมันจะชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นในที่สุดก็จะเกิดปิ๊งขึ้นมาไอ้ความลังเลสงสัยเมื่อกี้นะ่ะอ๋อมาทางนี้เนี่ยมันเข้าใจแต่ดีไอนะไอ้ความสงสัยที่เนี่ยเมื่อไหร่มันจะเป็นว่าเนี่ยอยู่ๆมันก็หลุดไปเลย มีความไวสุดเชื่อมั่นแล้วความเข้าใจก็ถูกด้วยรู้ทันทีว่านี่คือทางไปทางนี้มันเข้าใจนี้สมรรถะไปทางนี้มีปรัสนาไปทางนี้เส้นทางอันนี้ต้องเขียนนั้นออกต้องอันนี้ออกเอาความห่วงออกความเหงาออกเอาความตามบกตามใจออกความขี้เกียจออกความพูดมากคำไหนเอาออกมันจะรู้ทันทีนะเส้นทางไปยังไงโอ้รู้นะ ไปกรุงเทพไปยังไงไปเมืองนนทไปยังไงเนี่ยขึ้นเหนือไปทางไหนมันจะรู้ออกครับอันไหนไม่ใช่ทางมันจะรู้จักนะทีนี้พอรู้ทางปุ๊บก็จะเดินทางถูกแล้วการเดินทางเดินทางเพื่ออะไรเพื่อเกิดปัญญาญาเพื่อเกิดญาณทัศน์ะอ น, นั้นเดินทางโอ้ต้องเป็นอย่างนี้นะเนี่ย ต้องทําคนเดียวนะ่าต้องทําให้ต่อเนื่องหน้าไปว่ะนะความม่อนนะนะอน้อมถอมตัวจริงๆคืออะไรคือการรักษาตัวเราเองนั่นแหละครูบาอาจารย์เห็นเขาก็อยากช่วยแต่เวลาคุยกับคนบางทีตัวเขาใหญ่เกินไปมันต้องทําให้มันเล็กลงเล็กลงเล็กลงเหมือนไม่มีตัวตนน่ะไม่มีตัวตนก็คือไม่มีทิฏฐิอยู่ในใจ ไม่มีความรู้สึกว่ากูเป็นกูมีกูได้กูเข้าใจไม่เข้าใจอะไรยอมรับร่างกายสร้างขานี่เป็นแบบนี้เลนะนักต่คุยกับคนบางคนนะเห็นปฏิปทาเขาคิดว่าจะเข้าใจได้ดีมันมองจากประสบการณ์ของความผิดพลาดในชีวิตเราฝึกมามันเป็นยังไง แล้วฝึกคนอื่นแล้วเป็นยังไงคนที่มีปัญหานี่คืออะไรคนที่สามารถเดินทางได้ดีเป็นยังไงวันนี้ไม่ใช่อยู่ๆล้วจะรู้สึกตัวรู้สึกตัวแล้วจะเข้าใจธรรมะนะมันอยู่ที่ความรู้สึกตัว <c oughs> พูดไปเถอดเนะ่ยตรมาก็เห็นคนพูดแบบนี้นานหลายคนแล้วฝึกแบบลงพวอเทียนนี่แหละอืแต่ก็ไม่เห็นไปรอดสักหลาย เพราะอะเพราะว่าดูถูกธรรมวินัยของพระพุทธเจ้ามากไปแปด0มื่นสี่พันพระธรรมขันธ์เนี่ยคิดว่ามันไม่มีส่วนตกก่อนการกล่อมเกลาชีวิตเลยมีแต่ความรู้สึกตัวเท่านั้นเลยอนั้นพระพุทธจพูดให้เปืองน้ำลายทำไมต้งเยอะแยะดังนั้นนะนุ่งรู้จักอะไรเป็นแกนนะอะไรเป็นเปลือกอะไรที่มันเป็นเหตุเป็นปัจจัยเกื้อกูล ต่อการเข้าถึงสัจจะเราไปยึดอะไรก็ตามผิดหมดนะยึด ต, ตัวเองก็ไม่ได้ยึดผู้อื่นก็ไม่ได้ถ้ายึดผู้อื่นก็เป็นมิจฉาทิฐิยึด ต, ตัวเองก็เป็นมิจฉาทิฐินั้นต้องอยู่กับธรรมที่รู้ที่เห็นนะั้นอย่างอื่นก็เป็นบริบทเป็นภาวะแวดล้อมเป็นเหตุเป็นปัจจัยไปนู่ น, นแหละจงลึงต้่งไปเห็น กิเลสเฉพาะตัวเห็นอยู่สองตัวเดี๋ยวนี้ยังทำไม่ได้ต้องอื่นดำได้แล้วเนี่ยตั้งแต่โนท์แหละตั้งแต่สกายะทิฏวิจิกิจฉานิสัพตปปรามาดโลภะโทสะโมหะรูปปราคารูปปราคาอุธดจักูจัมานะอวิชชาอาวิชชาคือตัวรู้แจ้งตัวสุดท้ายที่จะทำให้มุลสูญสลายหมดสำรอกกิเลสอาสวะที่บอกว่าโอ้หมดอาสวะกิเลสแล้วเนี่ย มันต้องไปเดินไปถึงนั่นเส้นทางนเนี้ยมันต้องเห็นแจ้งว่านั้นคือมันหมดความสงสัยในเส้นทางของการปฏิบัติแล้วบุคคลคนนั้นจะมีแต่ความเพียรปรีกวิเวกเน้นความต่อเนื่องของจิตตัวเองเน้นการรูก้การเห็นมันที่เห็นนะว่ากเลศคือตัวเนี้ยเห็นมันมาอยู่แต่มันก็ทาร้ายเราไม่ได้ แต่เราก็เอามันออกยังไม่ได้อันนั่นแหละต้องเจริญอริยมรรคเยอะๆแหล ะ, ะต้องการเน้นการรู้นั้นที่ยกมือสร้างจังหะเนี่ยคนมาใหม่ก็ยกมือสร้างจังวะคนมาเก่าก็เหมือนกันนะ่ะก็ยกมือสร้างจังหวะเหมือนกันแต่พลังของสติต่างกันพลังของการรู้การเห็นไม่เหมือนกันมันเหมือนกับเด็กหรือผู้ใหญ่เนี่ย มองวัตถุสิ่งหนึ่งเนี่ยความเห็นต่อวัตถุจะไม่เหมือนกันเหมือนกันคนปฏิบัติธรรมเนี่ยคล้ายๆแบบนั้นแหละคนปฏิบัติธรรมานานๆถ้าฝึกสติถูกทางเนี่ยเวลาเข้ามาปฏิบัติก็อยู่รวมกลุ่มกับเรานั่นแหละเหมือนกันแหละแต่ไม่ได้เหมือนกันนะอารมณ์ข้างในเนี่ยเอา้าย่อๆก็คืออย่างความง่วงเนี่ยบางคนแทบเป็นแทบตายแต่บางคนสบายสบายบางคนกําลังติดความคิดสร้างจมือนกันแนะ่ะแต่อยู่กับในความคิดแต่บางคนเขา ข้ามผลความคิดไปแล้วเป็นเรื่องนันอื่นแล้วเรื่องวัตถุปรมาติอาการแล้วนะบางคนเริ่มทํางานกับอวิชชาละอวิชชาเดี๋ยวนี้เราไม่ยังไม่เห็นนะว่าอาวิชชาคืออะไรได้แต่ ว, ว่าอาวิชชาคือความไม่รู้แจ้งอวิชชาคือความไม่รู้ตัวมันตื้นไปมันไม่ใช่ละเอียดลึกซึ้งไานั้นยังไม่เห็นไานั้นนะ นั้นงานของเราถ้าเราเห็นในะวิชาคือความไม่รู้สึกตัวเราก็ต้องทําความรู้สึกตัวแค่นี้เองทีนี้ปัญญาที่จะเกิดจากการทําความรู้สึกตัวก็คือจะปัญญารู้รูปน้ําไม่ใช่ปัญญาเห็นการทําลายกิเลสอาสวะคุณทําได้แค่ไหนปัญญาจะเกิดแค่นั้นคุณเข้าใจแค่ไหนหรือแม้คุณจะเข้าใจธรรมะเลือ้อๆว่าเขาเป็นยังไงนีน้แต่เวลาเริ่มมาเริ่มที่ความรู้สึกตัวเนี่ยมันจะมันจะไปรู้แบบนั้นแต่ไม่ใช่การรู้แจ้งถึง การดับทุกข์ดันั้นสภาวธรรมเนี่ยมีความละเอียดละออมากแต่ก็ไม่เกินสถานะเกินสภาวะของเราที่จะฝึกฝนอบรมเข้ไปอย่างรู้ตรงนั้นเพราะพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าธรรมะของท่านเนี่ยเอาไว้สอนคนคนทั่วไปเนี่ยคนที่มีความโลภโกรธหลงนี่แหละ แต่ว่าก็แปลกมากว่าสภาวะธรรมในจิตคนเนี่ยคนปฏิบัตินานห้าปีสิบปีอาจจะไม่เท่าคนฝึกเจ็ดวันนะคนมาฝึกเจ็ดวันในจิตเขาดีเขาสามารถทำต่อเนื่องแล้แลรู้แจ้งได้แต่คนมาสิบปีเนี่ยทาบ้างลืมบ้างหยุดบ้างอะไรบ้างอาจจะเห็ดปัจจัยความเพียนไม่พอนะมันปล่อยวางไม่ได้อะไรประมาณเนี่ยมันก็ยังติดอยู่ในความคิดอยู่ก็มีนะมันไม่เหมือนกัน บางคนทำสองวันสามวันรู้แจ้งมากกว่าพระทำมาสิบปีก็เลยนั้นศาสตร์อันเนี้ยจึงเป็นเรื่องที่น่าเรียนรู้มากมันได้เป็นโว้ยผมมาฝึกที่หลังไม่น่าจะเข้าใจได้ไม่ใช่มันสามารถเข้าถึงได้หมดนะสามารถเห็นทำได้ทั้งหมดแล้วเห็นทำแบบเป็นอย่างเดียวกันนะ่นะเห็นทุกเห็นเหตุเกิดทุก เห็นเส้นทางของการดับมันจะดับยังไงเนี่ยเนี่ยแล้วก็รู้ว่าทุกมันดับยังไงสภาวะธรรมมันมีอยู่แล้วในเราเนี่ยเพียงแต่ว่าอาศัยกยัลยาณมิตรครูบาอาจารย์คอยชี้แนะบอกกล่าวโดยเรามาฝึกมาฝนมาอยู่ด้วยกินด้วยนอนด้วยเพื่อเอาตัวอย่างเอารูปแบบพระสงฆ์เจ้าท่านอยู่แบบไหนผู้ทาลายกิเลสเนี่ยผู้ตั้งใจเพื่อจะฝึกฝนเพื่อดับทุกข์ท่านทยังไง เราก็มาเรียนรู้จากท่านเอาให้มันเป็นอุปนิสัยอันนี้เพราอุปนิสัยไม่ใช่นิสัยธรรมดานะเป็นอุปนิสัยมากน้อยสันโดดอะไรไม่จําเป็นก็ออกไปเขี่ยออกไปมาอยู่ที่นี่เราไม่ได้หาอยู่หากินอยู่เนี่ยเราไม่ได้ทําหน้าที่เพื่อสนองอัตราตัวตนเพื่อบ้านเพื่อเรือนเพื่อครอบเพื่อกลัวอะไรเลย แต่ทาเพื่อความรู้สึกตัวกินก็มีคนรับภาระทําให้นอนก็รู้สึกว่ามันไม่ต้องยุ่งยากดูแลเหมือนบ้านเดาเราไม่รู้สึกว่าเราต้องพอใจไม่พอใจกับการหลับการ น, นอนเพียงแต่ว่าเอาเพียงเพื่อตื่นขึ้นมาทําความเพียรได้เลยนั้นเอ่ความผูกพันความสําคัญมัตหมายว่าเป็นตัวกูของกูนี่ก็จะมีน้อยความเพียรก็จะฉลุยได้ไวเราลองวัดดูที จิตเราเนี่ยมีความบริสุทธิ์แค่ไหนศีลเราบริสุทธิ์ไหมดมันยังติดตัวนั้นอยู่ติดตัวนี้อยู่ศีลห้าศีลแปดศีลสิบถ้าเราไม่ทําผิดศีลผิดธรรมกายจิตเราก็ไม่ค่อยเศร้าหมองนะแต่ถ้าเรารักษาศีลลักษาสภาวะที่อยู่ภายใน รักษาจิตตัวเองเกิดปัญญาแล้วเนี่ยไอ้ข้างนอกมันก็ดีขึ้นมาของมันเองโดยธรรมชาติจิตเราจะเริ่มดีศีลทําให้จิตมันปกติแล้วฟักฟอกจิตโดยตรงพอจิตมันปกติการเห็นก็จะปกติพอเห็นปกติเห็นชัดเจนเนี่ยความสงสัยก็จะถูกสลายไปหายไปพอความสงสัยหายไป มันก็จะเห็นเป็นทางขึ้นมาเลยดี่ะทางนี้มันน่าเดินนะทางนี้มันน่าอยู่นะเมืเม่อเราเห็นเส้นทางแล้เราเอ้าเรืยวิ่งไปตะเดียมันเป็นทางใไปจิตนี้มันจะเป็นทางไปอยู่แล้วความเข้าใจสภาวะทำอันนี้จังทุกขัของอนันตามันเรียงกันอยู่แล้วนะ่ะถ้าคนหเห็นทุกขัขงคนนั้นก็จะเห็นอันนี้จังคนไหนเห็นอันนี้จังชัดเจนคนนั้นก็จะเห็นอนตาเดี๋ยวนี้เราไม่เห็นนะทุกเนี่ย เราก็ไม่ค่อยยอมเราเว่ามันเป็นทุกข์เราไม่ค่อยเห็นมันเราไม่เรียนรู้มันว่ามันเกิดมันดับมันมาจากไหนอยู่ยังไงง่วงเจ็บปวดแข้งขาเนี่ยมันมาอย่างไงมันอยู่ยังไงเราวฝืนหน่อยไม่ได้เหรอทนหน่อยเนี่ยนะบางทีเราก็รู้ถึงเวทนาเวทนานั่เนี่ยแต่มันไม่เคยแจ้งในเวทนาเนี่ยมันไม่แจ้งถ้ามันไม่แจ้งเกาเรียกว่าเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือไม่เรียก กูรู้เวทนาแต่ว่ามันไม่แจ้งในเวทนาวิในยโลกีปิชาตมุมันสร้างนําความพอใจและความไม่พอใจออกเสีเรียกว่าเวทนานุปัสนาสติมันไม่เที่ยงคือคุณภาพมันไม่พอสติอันเนี้ยไม่พอที่จะเห็นเวทนานั่นเกิดขึ้นตั้งดูต่อไปนะไม่สามารถที่เห็นเป็นเวทนาเป็นไตรลักษณเป็นทุกข์แต่ทุกข์อันนี้ก็เป็นอนัตตามันไม่เห็นนะี่ะ ทุกอันนี้เป็นตัวกูของกูขึ้นมาทันทีกูเจ็บกูปวดกูเหมื่อยกูคิดกูปรุงแต่งกูชอบกูชังกูรักกูเกลียดขึ้นมาทันทีเียอดีตอนาคตขึ้นมาทันทีมันไม่สามารถที่จะเป็นมิถนาสติปฐานได้ถ้าตราบใดที่สติมันยังไม่อยู่กับฐานเนี่ยแล้วก็ปลูกเรื่อยๆปุเรีเขาเรียกว่าการปลูกฝังคุณธรรมปลูกมันอยู่กับกายนี้กายนี้เป็นผืนนา เป็นผืนดินนะสติเนี่ยเป็นมเมล็ดพืชกดลงไปในความเพียรความรึกลึกรู้การม่ได้ยินได้ฟังเนี่ยเหมือนกันรดน้ําเหมือนกันใส่ปุ๋ยนะมันก็จะเริ่มเจติญเติบโ ต, ตขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึนเดี๋ยวมันก็งอกละ่ะมันมีจังหวะหนึ่งที่มันงอกแต่เพราะออกมาโอ้มันแจ้งกันมาชั้นหนึ่งแล้วเนี่ยมันเป็นรูปขึ้นมาแล้วเริ่มเป็นรูปเป็นหูเป็นหอยของการดับทุกข์เริ่มปรากฏเกิดขึ้นในใจเรา แต่ก่อนเราไม่เคยเชื่อว่าพุทธธรรมมีจริงการบรรลุธรรมเกิดขึ้นได้การดับทุกข์ปรากฏอันนี้เริ่มเป็นรูปเป็นล่างขึ้นมาโอ้แบบนี้นี่เองนะเราก็ไปสานต่อฝึกพ้นตอนจนกทั้งนนแล้วนะใส่ใจกับการปฏิบัติล่ะทีเนี้ยรู้นะ ว, ว่าวิธีที่จะดับทุกข์ดับตัวปรุงตัวแต่งดับของงงเอ ง, งดับกิเลสอาสวะดับสังโยตสังโยตคือกิเลสที่มันหมักหมมซ่อนอยู่ในใจ มันมีสองแบบนะกิเลสเนี่ยกิเลสที่เข้ามาต่างๆหูจมูกลิ้นกายใจอันนี้อันหนึ่งเราก็ตัดทิ้งได้ปฏิบัติธ ร, รมเนี่ยมันจะตัดทิ้งได้ถ้ารู้อันนี้แล้วเนี่ยมันเข้ามาเดิม ก, กระดับไปเดิมกรดับไปแต่อันที่ยากก็คือไอ้ที่หลงแช่ไว้ในจิตนานๆเนี่ยที่เป็นตะกรนใจเนี่ยอันนี้ออกยากมันออกยากอันเนี้ยถ้าไม่เกิดวิปัสสนาญาณมันไม่ออก มันไม่ออกแล้วมันก็กลายเป็นเชื้อเชื้อหลอกให้อารมณ์ข้างนอกนี่ไหลเข้ามาข้างในนั้นอาศัยการฝังการการเฝ้าดูการเลึกโล่เนะภาษาพระบางทีท่านไม่พูดมากเลยอ้าวลูสึกตัวไอ้ความรู้สึกตัวนี้ต้องมีสติไม่มีมีสมาธิไม่มีมีเมตตาไม่มีมีความอดทนไม่มีมีโอ้ยมันมีมากมายหลากหลาย มีหิริมีโอตตะปะมีขันติมีโสระจะความสงบสงเสงี่ยมมีสารพัดมีอุเบกขามีอะไรวมกันในนี้รวมกันเพื่ออะไรเพื่อจะไปทําลายความห่วงความเหงาทาลายความปรุงแต่งทําลายความยึดติดทําลายอุปทานขันทําลายอาวิชชาคือความไม่รู้นะ่ะมันกลายปเป็นรู้มดเลยถ้ามารู้มุดเดี๋ยวเรียก ว, ว่าสัพพันญูสัพพันญูแปลว่าผู้รู้ทั่ว แต่คนตั้งหลายแปลว่าเป็นผู้รู้แจ้งโลกสัพพัญญูโลกกับวิถูรู้ทุกที่เกิดกับกายนี่ทั้งหมดเลยมันเกิดตรงไหนเนี่ยกายกับจิตนี่มันให้ปรุงแต่งไร น, นี่มันรู้ทั่วหมดรู้ทั่วพร้อมอืมสัพพัญญูแปรู้ทั้งหมดเลยเมื่อก่อนนรู้เป็นบางอันรู้เป็นบางอันไอ้ลึกๆนี่ไม่รู้รู้แต่ข้างนอกแต่ทีนี้ไม่ว่าจะเป็นโลกนี้โลกนี้คือปัจจุบันเนี่ย มันก็รู้ที่วันนี้โลกหน้าโลกหน้าที่มันจะคิดไปข้างหน้านี่ก็รู้โลกที่ผ่านมาโลกในอดีตมันก็รู้เนะไม่ว่าจะเป็นโลกไหนรู้หมดทุงโลกโลกสามรู้หมดเลยอ่ะนเป็นผู้อย่างรู้ในโลกทั้งสามใจก็ตื่นเบิกบานได้เองโดยธรรมชาตินะมันก็พองไซอยู่ภายในเอบอบิมแหละที่เนี่ยเอา ถ้าเดินทางถูกเดินทางไปถึงที่หมายมันก็เป็นเป็นความรู้ตัวตัวนี้เนี่ยก็จะบริสุทธิ์สะอาดแจ่มแจ้งขึ้นมานะมันจะเห็นด้วยการกำหนดรู้ไม่ได้เห็นด้วยการเพ่งจ้องไม่ได้นแต่มันเห็นด้วยด้วยญาณ น, นะพัฒนาตัวรู้นี่มันโตโต ต, ตขึ้นมากขึ้นเป็นญาณจนทั้งว่าถึงที่สุด ความเห็นนั้นบริสุทธิ์สะอาดสดใสเป็นอะกุปธรรมโมไม่มีการคลายคืนน่ะมันไม่มีการกำเริบตั้งแต่รู้แจ้งตานั้นแล้วก็เป็นแบบนั้นตลอดเวลาเลยมันไม่หายแต่ถ้ามันหายอยู่ก็ทำใหม่ทำซักอีกให้มันเป็นอีกมันจะมีอ่ะมันจะเกิดปัญญาขึ้นมาว่ารู้ว่าเออเราไม่ต้องทำอีกแล้วมันเป็นแบบนั้นคงมาแล้วมันดับได้แล้ว ไฟมันดับแล้วอืไฟอยากไม้เรือนก็ไหม้ไปร่างกายสังขารเราเนี่ยมันอยากแต่กอยาดับเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องของมันนะเพราะว่าเราออกจากเรือนมาแล้วเราออกจากรูปมาแล้วออกจากกายเป็นแล้วเราไม่ได้เข้าไปอยู่ในนั้นแล้วเรารู้แจ้งแล้วว่าอันนั้นไม่ใช่ของเราเมื่อก่อนเราพยายามที่จะรู้มันก็ยังติดอยู่ว่ามันเป็นของเราไง กายนี่เป็นของกูนะอุปทานขันกูมันติดอยู่กับขันกับรูปกับเวนะมันไม่ออกซะทีแต่ตอนนี้มันลาออกแล้วนะะออกมาเป็นผู้ดูแล้วไฟอยากไหมก็ไหมราคาโทรศัพมหเกิดเหลือแกเจ็บตายเข้ามายุ่งกับร่างกายสังขารเออเชิญเป็นธรรมชาติเราไม่ได้ขนมาใส่นะเราไม่ได้หามาใส่เราไม่ได้มีความหลงแบบนั้น แต่มันเป็นวิบากของมันแหละทีนี่เป็นธรรมชาติเออเราก็เข้าใจมันเราก็ไม่ตี อ, อกทกตัวนะะสิ่งที่เราหลงเอาลูกหัวเมียเหรือคนรักคนชังหรือวัตถุสิ่งของเหรืออนะไรการงานเหรือมันเข้าใจโอ้เป็นสมมุติทางนั้นมันเจิมแย่งกันในตัวทําเล่นๆไปตามสมมุติเนะี่ยแต่สมมุตินั้นก็มีการเกิดดับในตัวนะ สมมติแต่ละอันตธละเนี่ยมันมีปรรมะทในตัวมันนะดังนั้นเราก็อยู่กับภาวะปรรมะทแต่รู้แจ้งในสมมุติเวลารู้แจ้งครั้งหนึ่งไม่ต้องมารู้อีกแล้วทีนี้มันเป็นแบบนั้นของมันโดยธรรมชาติมันเป็นแบบนั้นโดยธรรมชาติของมันวันนี้มีโยงคนหนึ่งจากมหาสา ร, รคามจากไห น, น, เ, นเขาททรมาถาม เขาเพิ่งทำได้เมื่อตอนเที่ยงเขาเกิดแยกรูปแยกนามบอกได้จาแจ้งเขาเลยถามอยากคุยกับหลวงตาหตาเอาท่านไม่อยู่นะคุยเถอัตามาก็ได้เขาเลยถามว่าบวชได้กี่พรรษาแล้วเพิ่งบวชโอโออท่านตั้งใจปฏิบัตินะให้รู้มันผมนะเขาว่าก็เลยบอกว่าครับนี่ฮะเขาดีใจมากเขาทำได้ เขาอยากถามว่ามันจะเป็นอย่างนี้ตลอดใช่ไหมเพราะเขาทำมาเนี่ยสองเดือนสามเดือนเข้ามานี่แหละตั้งใจทำทวุกวั น, ววนเขาดีใจว่าเขาเห็นทำเขาเห็นทำเข้าใจทำอยู่กับทำแต่เขาไม่มีเวลามาถาม ่า่าโทรมาแต่ละทีก็ไม่มีคนรับโอ้ยวัดนี้เขาขี้องคน่าส่งเสริมนะคนตั้งใจทำเขาเรียนรู้ทำเขาถามว่ารู้ธรรมะแค่ไหนจึงไปบวชที่นั่นได้นะถึงระดับไหนเขาทำลุงตาเขาเลยวาจะมามาอยู่ใหม่ไม่ค่อยรู้เขาเลยว่าท่านตั้งใจปฏิบัตินะธรรมะมันมีจริงเขาบอกธรรมะมันมีจริง เนี่ยเขาก็ยืนยันนะว่าธรรมะมันมีจริงแต่ก่อนเขาก็ไม่เชื่อครับว่าเขาเพิ่งมาปฏิบัติสายลุงพ่อเทียนนี่ไม่นานเขาก็เริ่มเห็นแล้วเขามั่นใจว่ามันจะไม่เปลี่ยนแปลงเพราะว่านะเขาเลยถามว่าเวลาบรรลุสูงๆขึ้นไปเป็นอนาคามีอรหันเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมอานามาก็เลยว่าอานามายังไม่เห็น mm hmm. ยังไม่เข้าใจ mm hmm. นะคุยกับเขาเนี่ย เขามองข้ามไปเรื่อยๆนะคนมันขนขวายคนมันตั้งใจมองข้ามเขาไม่ได้ถามแล้วความม่วงความเหงาความคิดเยอะเนี่ยเขาไม่มีแล้วความคิดไปนเนนี่ยเขาไม่ได้ถามไปนี่เขาถามเรื่องมรรคเรื่องผลนะนะั่นแ่ะชีวิตเนี่ยแล้วเราละ่ะถ้าเราใส่ใจอย่างที่ว่าน่ะเออพระพุทธเจ้าท่านก็เหมือนเราคือมีรูปร่างหน้าตาเหมือนเราสุขภาพก็เหมือนเรา แต่ทั้งเป็นคนจริงจังนั่นเองเราก็เหมือนกับคนอินเดียคนอินเดียก็เหมือนกับเราพระหลายลรูปบวชต้นแก่ก็มากมายตั้งแต่ราธะตั้งแต่อะไรประมาณนี้ก็หลายรูปไปขอบวชนะมาคนอยู่ศาสนาอื่นมาฟังธรรมะของพุทธเจ้าสรุป ว, ว่ามีกฎเกณฑ์อยู่ว่าคนที่จะบวชในธรรมวินัยในศาสนาพุทธนี้ถ้ามาจากแห่งอื่นเนี่ยถ้าให้ฝึกเข้าหน้า ฝึกปฏิบัติธรรมอยู่สี่เดือนถึงให้บวชมนุ่งเขาห่มเขานี่สมัยพุทธกาลเขาให้อยู่สี่เดือนนะแต่ปัจจุบันนี้บวชมายังไม่ได้นั่นเลยบางทีเมาอยู่ก็มาขอบวชหุ่งพ่อบวชในผมนี่นะมีบวชได้เนี่ยแล้วมึงมาบวชในเนาะบวชตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ตัว มันอยากบวชไหลมันอยู่ที่ซองขาวนะถ้ามีเงินเยอะก็บวชได้เดี๋ยวเนี้มันไม่ได้ทำเพื่อทรมวินยัยพอเขาแจ้งให้อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยบริพายชคคนนี้หมดสี่ปีนันถึงได้บวชเนี่ย่าบอกผมขอสี่เดือนนะเขาบอกขอสี่ปีผมจะอยู่สี่ปีเลยผมจะบวชเดีนะยยาว่าจะสะสีเดือนเถอะ พอบวชไม่บวชเขาก็เข้าใจรู้แจ้งแก่ใจอยู่เนี่ยแต่ปัจจุบันนี้อ่อนมากนะไม่มีการสอบเข้าไม่มีการเรียนรู้แล้วแต่ใครจะไปจะมาใครจะเป็นยังไงช่างาหัวมันเนี่ยบวชตามประเพณีบวชนี้ทสงสารบวชผานเข้าสุขปวดสนุกตามเพื่อนบวชเพื่อนศา ส, สนาบวชหาของเล่นไม่ได้เอาจริงเอาจังกับสัจธรรมเนี่ย วันนี้มีพระสองลูกมามาเยี่ยมก็เป็นผู้ใหญ่เขาเคยมาฝึกปฏิบัติธรรมที่นี่แหละคนที่คอดก่อนก่อนคงเห็นเขาอยู่มั้งนะที่เขาหนีกับเกิดยานวิปัจจายานข้ามกำแพงไว้แต่เขาเป็นกระเทยเป็นประเทืองคือ เขามีเงื่อนไขพ่อแม่ก็เขียนเขาเป็นอย่างนั้นเรียนปริญญาตรีก็เจ็ดปีจบนะความรู้แน่นมากแม่ก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำไงเนาะมันจะเปลี่ยนแปลงนิสัยคือเขามีอย่างหนึ่งคือพอจบปุ๊บเนี่ยนะเขาจะไปสับขาเขาดีอนะ่ะผ่าแปลงเพศ เขาจะแปลงเพศเนะี่ยเขาไปเฝ้าดูคนแปลงเพศมาแล้วสามคนสี่คนไปเฝ้าไข่เขาเพื่อนเขารู้สึกเขาประทับใจอยากเป็นนี่เขาก็มา น, นค น, คนเพื่อนมารู้จกักมาแต่นี้มีคนเคยมาปฏิบัติธรรมแล้วก็ดีเขานะก็เลยมาเอามาเป็นไพ่ใบสุดท้ายถ้าเธอไปปฏิบัติธรรมกับดวงตาแม่จะออกค่าพ่าให้แสนเจ็ด แสนเจ็ดต่อเส้นประสาทจะอยู่ให้ด้วยเขาาไว้ดูนี่เขามาเล่าให้ฟังลุตงตาถามว่าเหตุผลอนไดหรือที่คิดมาบวชเนี่ยเขามาบวชแลกผ่าตัดแม่ยอมถ้าบวชจริงมาปฏิบัติธรรมนะแต่เขาว่าได้อยู่จะ ต, ต้องปฏิบัติธรรมก่อนมาสอบเข้าก่อนได้ไม่ได้นะเขาก็ตั้งใจมา อาจารย์หลวงตาพูดเมื่อกี้นั้นพูดตามเขาว่านะคือมีผ่าตัดแบบไม่ใส่เส้นประสาทนะกับใส่เส้นประสาทราคามันจะต่างกันนี่ทําพูดเผื่อพวกเราอยากทาเขาก็มามาปฏิบัติธรรมพอปฏิบัติต้องเขารู้ทันทีว่าไม่ใช่ทางเขาติวัดเนี่ยแต่เขาก็เกิดปัญญาอยู่นะแม่ก็คิดว่าภาวนา ว่าออกไปแล้วเขาน่าจะเลิกล้มความตั้งใจคืออยู่ยังไงเขาก็เป็นคนได้อะมันน่าจะเป็นคนได้อยู่อย่ามีความคิดหลากหลายคนบวชเนี่ยไม่จะมีคำคำหนึ่งว่าปุริโซสิปุจิโซสินะสิลายเจประตอนุญาโตสิมาตาปิตุหิพ่อแม่อนุญาตนะ่ะคนเป็นคนจริงนะกีลาโซไม่เป็นโลกเลื้อนนะไม่เป็นขี้กากนะไม่เป็นโลค ลมบ้าหมูนะนะเนี่ยเห็นไหมเขาถามถามถามถามถามมันคนนัติพันเตนัติพันเตเนตพื่อนเตบ่ได้เป็นบ่ได้เป็นบ่ได้เป็นแล้วมันจะถามมีคำหนึ่งว่าปุริโสสิเป็นผู้ชายจริงหรือเป็นผู้ชายจริงหญิงแท้ใช่ไหมเนี่ยถ้าไม่ใช่ผู้ชายจริงในบวชไม่ได้นะเขอห้าม แต่เดี๋ยวนี้ก็ทั่วไปนะเต็มไปหมดมีแต่เนื้อเม่นเนื้อเม่นี่เ น, นื้อเ ม, ม, ม, ม่นปูเนื้อเม่นเต๋อเนื้อเม่นปูนกุงเทพปูนอกุ้งตาไปูจักมันผิดวินัยนะเขาห้ามนะอุปชาไม่เข้าใจภาษาบาลีเลยไม่หูแต่เขาก็แปลไปให้โยองห้ามแต่ก็อย่างว่านะโรกนะ ธรรมวินัยของพระุทธเจ้าแปดเพื่อนนะเดี๋ยนี้มีเต็มไปหมดนะไม่ว่าที่ไหนไม่อับไปไปชมุมระดับเคี่ยวหมากแก่ๆ ก, ก็ยังมีเขาเรียกอีนั่นอีนี่ไปนะศาสนาศาสนาเอ้ยศาสนายากลำบากแต่ก็ยังว่าแต่หละ่ยเราก็นับถือว่าบวชมาเพื่อรักษาประเพณีวัฒนธรรมกนบธรรมเนียมอะไรประมาณนั้น คือมันต้องมีหลากหลายนะศาสนาเนี่ยเป็นความสวยงามแบบหนึ่งพระสงฆ์กลุ่มหนึ่งอ้าวอะไรนะจัดขบวนแห่พระเกษ์เนี่ยขบวนฟ้อนทำพาใบาสีว่พาไปพระอลุนหนึ่งก็ปรัญญาเรียนหนังสือเพื่อให้มันมีพระกลุ่มหนึ่งก็ลดน้ำมนต์ก็ควรจะมีนะพ่นน้ำมาขากน้ำมูกควร ม, มีหมดทุกขบวนเขารวมเรียกว่า ตลาดธรรมะตลาดศาสนานั้นพวกเราทั้งหลายต้องรู้จักเลือกเอาว่าจะเอาแบบไหนถ้าเลือกเป็นก็เป็นแต่ถ้าตาบอดอยู่อย่างนี้นไปหาเลือกก็ไม่เห็นเน่ะไม่รู้พระจริงพระอมศาสนาแท้ศาสนาเทียมถูกผิดอะไรเราดูไม่ออกมันดูไม่ออกไงนั้นมานี่มาเสริมดวงตามาติดอาวุธทางปัญญาให้แลาก็จะเกิดความเข้าใจ ไม่ใช่กลับไปแล้วไปโวยวายเขานะไม่ได้เนี่อันเนี้ยก็ะธรรมดารู้เขารู้เราเฉยๆโอ้อันนั้นถูกอันนี้ผิดอยากร่วมก็ได้ไม่ร่วมก็เป็นนั้นถ้าเป็นกระเทยมาบวชก็ไม่ได้คนมีความรู้สึกสองประเภทอยู่ด้วยกันเนี่ยมาอยู่กับลงตากลางแต่เอาแล้วกลัวได้ลูกสะใภ้กระเทยบวชเนี่ยมันจะชอบมานวดนะ บีบพันบีบนี่ลุงผู้สั่งนวดบ อ, อท่านก็ชอบอยู่แต่เก่านี่นะเอาเหมือนยู่หันแน่อันนี้ก็เจ็บอันนั้นก็ปวดเอาบั้บนหนีแน่บั้นหนแน่อยู่โอ้ยเพืได้แล้วก็ยากแต่เขามาปฏิบัติทำที่นี่ก็เลยยังวนะ่าน่ะว่านี่นี่อยู่ปัญหาได้กี่วันไม่รู้เขากลับไปเขาบวชเขามามาพร้อมกับน้องชายเขาน้องชายเขาเป็นแมน อายุไม่เยอะนะคนเนี้ยอายุไม่เยอะยี่สิบยี่สิบเจ็ปีนี่มั้งปยีป่สิบหกปีเขาได้บวชสมใจแล้วนะแต่บวชก็ลงตานี่ไม่ได้นะบวชสมใจแล้วเขาก็มากราบ ด้วยความอลชอนออนแอนเขาก็ไปหาเรื่องอุปชาติที่เป็นประเทืองนีนั้นแลวยังสั่งไม่อีกนะอย่าเริ่มเดอ้อไปแล้วเพิ่สวนอยู่วัดพระที่เสียดเพิน่ในเดอ้อแต่มาวันนี้เขาบวชได้สิบห้าวันน้องชายเขารู้สึกว่าเขาอยู่ที่นั่นไม่ใช่ชีวิตเขาน้องชายนะ นลวตาครับผมขอมาอยู่ที่นี่ได้ไหมผมรู้แล้วว่าที่สงบที่สุดที่ผมไปมาคือวัดนี้ผมไม่มีข้อมูลอยู่ผมก็อยากบวชผมก็บวช ผ, ผมไม่เคยปฏิบัติทำแต่แม่บอกว่าให้ถ้าบวชแล้วก็บวชสองคนไปเลยประมาณเนี้ยผมว่าผมาไม่ใช่ที่ผมอยู่อ่ะผมไม่ได้ฝึกไม่ได้ปฏิบตัติแล้วก็ไม่ใช่ผมอยากมาอยู่ด้วยเดี๋ยวนี้เขาก็มาขอร้องนะ รู้จักว่าเธอไม่อยู่ในระเบียบไม่ได้ฝึกมากที่นี่ไม่ได้ฝึกปฏิบัติและไม่ได้บวชที่นี่ที่นี่เขาไม่รับเขาก็นั่งเขาก็นึกว่าชีวิตเขาน่าจะอย่างนั้นอย่างนี้เขาพูดไปพูดมาเคยอยากมานะ่ะพาน้องชายเนี่ยพวกเธอคิดยังไงเอาดีหรือไม่เอาดีรับดีหรือไม่รับือแต่ตัวที่เป็นกระเทยนั่นคือไม่มา แต่ตัวน้องนี่อยากมาเพราะว่ามาส่งพี่ตอนปฏิบัติธรรมเน่ะแล้วไปบวชแล้วรู้สึกว่าเออนคนละอย่างกันนึงก็อยากมาปฏิบัติธรรมให้พ่อพ่อเข้ามานะแม่เขามาแต่คนที่เป็นกระเทยนั่นออกไปแล้วเนี่ยสิ่งที่ปฏิบัติธรรมที่นี่ อ, อไม่ได้อะไรมากมายจะออกไปเลยเลิกล้มความตั้งใจที่จะผ่าดูดิ มารายาทอะไรก็เริ่มดีขึ้น mm hmm. เทศก็เป็นเขาว่าคุยธรรมะธรรมโอไปนั่นโอ้นี่ขนาดมันหนีไปนะเนี่ยยังดีขึ้นถ้าก็อยากมากราบขอเข้ามาลงตาว่าที่เพ่นออกไปเนี่ยใช่ไหมเนี่ยมากราบแต่ว่าเลือกล้มแล้วอความความคิดอันนั้น mm hmm. แม่เขาดีใจว่าลูกชายเขาแล้วก็อยากให้บวชที่แรกก็เขาไม่บวชบวชไม่บวชก็ได้มันอยู่ที่ใจยเี้ แต่ตอนนี้บวชแล้วเมียเขาก็ดีใจก็พามาเอาตะ ก, กา้าแบรนด์มาถวายนะซึ่งจะได้ถวายองค์ต่อๆไปเพื่อจะได้หลับมากกว่านี้นะแบรนกินแบรนนะ์ไม่ได้หลับนะเนี่ยพอพูดปุ๊บก็ขยับมือทันทีนะรู้อยู่นี่เนี่ยจิตเตือนอยูนะ่นั่นพวกเราทนะั้งหลายนะชีวิตเหมือนศาสนานี่เจริญนะ่ะ ตัวนักบวชตัวนี้นบวช น, น, นะแต่เจริญไม่เจริญก็ฝากไว้กับพุทธบริษัทนี่แหละศา ส, สนาพุทธเนี่ยไม่ได้เสื่อมเพราะถูกน้ำถูกพายุถูกธาตุสีอะไรลูกหลานมันนหะไม่มีศา ส, สนาโน้นาสนาโนไม่แต่มันจะดับศูนย์ไปเพราะเราไม่ปฏิบัติธรรมนี่แหละไม่เจริญสติสมาธินี่ตอนไปอยู่อินเดียก็ไปเห็นเขาก็อ้ย เต็มทีละศาสนาพุทธในอินเดียมันไม่มีทางไปอ่ะถามปีหนึ่งเนี่ยมาเป็นธรรมทูตอยู่ในอินเดียเนี่ยสอนคนรู้ธรรมะได้กี่คนไม่ได้สักคนตั้งแต่สมัยจอมพลปตั้งหนอนนะจนถึงปัจจุบันเนี่ยแล้ถ้าไปอยู่วัดพุทธคยามีแต่ฝรั่งมาเช่าวัดจัดปฏิบัติธรมรมดูดิฝรั่งมาเช่าวัดพุทธยาปฏิบัติธรรมของเรามีไหมไม่มี ไม่ได้ปฏิบัติธรรมตั้งแต่ไม่เคยเปิดฮอสสักทีตั้งแต่ตั้งวัดมาสงสารเนี่ยอย่างน้อยๆปีหนึ่งเอา้าได้คนหนึ่งสองคนได้รู้ทำมะมันก็กระจายไปเหมือนวัดเราเนี่ยโมงตามมาตั้งไม่นานนะเนี่ยคนก็จะรู้กันทั่วประเทศแล้วเนี่ยถ้าตั้งใจทําเนี่ยมันจะเป็นอะไรนะส่วนมากเราก็ไม่มีแล้วนเนี่ยเดี๋ยวก็เอา้าสร้างวัดแล้วของไทยเราไปอยู่นูนสร้างโรงเรียนพุทธศาสนาวันทศิศแล้วก็ เขาชื่นชอบประเทศไทยคือคลินิกหมอหมอคิงแล้วก็ไปตั้งคลินิกในวัดสร้างโรงพยาบาลคลินิก น, น้อยๆคอยรักษารักษาพวกละไพวกสูตรพวกจันทันพวกนั้นกิจกรรมก็จะเป็นเหมือนนั้นแล้วก็ตั้งวัดสร้างวัดไว้เ พ, เ, พเพื่อเพื่อรอรับบริจาคนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวเนี่เอ้ามันไปเที่ยวอินเดียจัดคอร์สปฏิบัติธรรมดิว่าอยากไปปฏิบัติธรรมประเทศอินเดียเล้วเกินพอไปแล้วรู้แจ้งกลับมาดีนั่นแบบนั้นนหะ แต่นี่มันไม่มีนะนั่นตั้งอกตั้งใจเถอะโยมอย่าเนื้อโยมมาปฏิบัติธรรมเน่เอาไปต้อนเอาไปฝากลูกหลานที่บ้านนะพอกลับไปบ้านละมึงมาหนินั่งลง่องสร้างจังหวะกูไปปฏิบัติธรรมมาทนะันทีเลยนะออกไปเนี่ยสา ม, มีก็ลากคอมาลงมาจะเพิ่งนอนมานี่เนะมียเหมือนกันนะเอาฮนะฟั่งไข่ในแม่ไข่ไปปฏิบัติไม่ยากกระโดดอะไรลุกขึ้นนะสร้างจังหวะ อย่างแต่เขาพาดไปโรงพยาบาลอยูอ่เป็นหลายได้เท่า น, นตั้งแต่มาจากวัดใดโรดสร้างจังหวะยุบยาประเศ้าจะเป็นยังไหนเน่่เอาให้มันพอดีอะไรทุกอย่างก็คือพอดีอะ่ะถ้ามันพอดีแล้วก็สบายใจนะ <c oughs> เหมือนอาจารย์คนหนึ่งนะที่มีแฟนอยู่ธนาคารกรุงไทยเนี่ยก็ไปบ้านแล้วพวกหอนไปในน่อนปะนะ พุกลุกขึ้นมาสร้างจังหวะนี่แหละเดินจุ ก, กลมอืมมาเบิง่งด้วนี่ทำมาในล่องตาเป็นเมาแเกนได้จใจ่นะเทศไห้ฟังจนว่าเหงานอนไหมผัว ก, ก็ได้ในมือหนึ่งสองมือฟังมาหาล่องตาล่งตาโอ้ยเฮ็ดไหนมันเทิพิดึกได้ผมบปฏิรับปฏิน้อนได้ในนิพนธ์นนา <laughs> สอนเนี่ยเอิญไห้ บ, บ่ได้บ่เหมือนว่าผมก็ว่าทราบซึ่งยัวเป็นเมากระหมา่อมเ้าหลายโพด จนเราเมื่อก็หกทุ่มขั้นผมมาสี่น่องตอนกว่าเพิ่นล่องทุ่นไปปฏิบัติมากนี่เพื่อไผ่ครับบางเป็นเพื่อครอบครั้วเฮ้าหนิไม่ไหวครอบขั้วอยู่ทเฮาผมเลยอย่ามาขัวครอบนะฮะตายมาวันอาทิตย์ลงทามาเอ้าทำไมไม่ชวนเข้ามาด้วยน่ะเพิ่นว่าเพิ่นสิไปเผยแผ่ธรรมะอันสว่างเด่นดินภพนะอำเภอสว่างเด่นๆมีนาสาวมีอะไรทั้งนั้นน่ะเข้าวัดประจำ แต่ยังไม่รู้แจ้งรับรองนะคนเลยเดินทางไปพุ่นผมก็เลยใข้แนนหนสารเทศม่านำรถตลอดสิไม่ว่าสมนำนามันบ่าม่าปฏิปธธรรมถ้าคนไหนมาก่อนคนนั้นก็จะได้เทศก่อนนะร้อ <c oughs> พอมันดีขึ้นง่ายชีวิตเนี่ยหลายคนนะเขาก็เป็นโยมอุปถัมภ์ทำบุญํำทานเดี๋ยวนี้วัดป่าสุทาวาสนะ ทำมาหนะ้าแต่เขาเพิ่งมาเข้าใจเองเขาไม่เคยเห็นนี่เขาเห็นเราเข้าใจเขาพาคนมาหลายคนแล้วไม่ใช่ง่ายนะมาเนี่ยเพื่อมาฝึกมาปฏิบัติธรรมเนี่ยยากลําบากวันนี้หงแต่ตจะให้เลิกก่อนเวลานะนะขอคอรับชั้นเวลาหนะ่อยไม่ปกติสังขารเท่าไหร่แต่สิ่งที่อยากขอร้องท่านทั้งหลายคือไปแล้วนอนเลย หรือนั่งสร้างจังหวะได้จะดีอนอนจะไปพูดไปคุยกันตรงใ้อยู่ดึกๆนี่เพราะอะไรเพราะว่าอยากให้ไปแล้วรู้สึกว่ามันง่วงเลยและหลับเลยเนี่ยมันจะดีแต่ถ้ายังไม่หลับก็คือสร้างจังหวะถึงเวลานั่นแหละถ้าจะมาไปฝึกเขาให้นอนสามทุ่มเราเอาสามทุ่มครึ่ง เให้นอนตีสามตื่นตีสามครึ่ 3, งเราตื่นตีสองสี่สิบห้าเนี่ยบางวันเดินไปเดินมามันอยขึ้นนะมันอยากขึ้นเทน้ําราดทางโย ก, กมไว้เดินให้มันเปียกตีนไว้เอามันมาขึ้นไปนะเตียงอันนี้มันดูไปลังไหมห้านาทีก็ท ร, ร ม, มานจริงๆนะโมเดียมันอยขึ้นไปนอนนะไม่อยาขึ้นไปได้นะพามันเดินบางทีลูนตาคือไม่อาบน้ํา เดินโยกมเดินไปจนถึงสี่ทุ่มจังหวะที่จะนอนเนี่ยสามทุ่ม ก, กว่าๆเนี่ยคือต้องไปอาบน้ำสี่ทุ่มต้องไปอาบน้ําพอไปอาบน้ำมัมันมก็สดใสเมาอีกชั่วโมงนึงเนี่ยเดินไปอีกสี่ทุ่มครึ่งอา้าวสบายแล้วทีนี้ขึ้นนอนได้แต่ถ้าอาบน้ํามาก่อนมันจะหาเหตุผลขึ้นนอนอยให้หัวมันนอนวมาเถอะอนาจาร่ า, ามีตัวตนดอกไม่ใช่มักกรอดเดี๋ยนอนงเลย อยู่เพียงเล่าสื่อเนาะมันก็มีอะไรนะคือฝืนมันฝึกมันน้อยนะมันจะได้ขนาดนั้นมันก็ยังหาทุกเห็นทุกได้ยากวันนี้วันที่สามหรือวันที่สี่วันที่สี่แล้วนะเออวันที่สี่แล้ววันที่สี่แล้วนะสูเฮ็ด ขี่มายังอยู่ขึ้นมาตั้งใจนลยนะล้วก็ต้องตั้งใจว้าววันที่ซี้อะไรตีนไหมอีสระ ม, มืดกูสิบรลุนน้ำเขาอยู่ว่าผู้อื่นต้องเปลี่ยนโปรแกรมละชีวิตกูนเนี่ยสิบอคุยน้าไปละนั่นแล้วก็อย่าไปว่าสู่กันฟังอย่าไปพูดสู่กันฟังหลายเผ่ามืัอนี้เจาะเลยพูดนั้นมันก็นจะคลื่นไหลเลยเนาะอย่าไปคุยให้เขาฟัง วุ้ยผมเลยรู้แจ้งผมเลยเห็นนั่นหนี่จะไปคุยกับเขาฟังอยู่ใครอยู่มันบางคนนะทำอะไรห้องโลงตายเห็นพระนะคนนี้ลู้ผู้นั้นก็ไปน้ามืออื่นกูสิเป็นยางจงกลมบอนมันกว่านะ้ามันคือว่าลู้แจ้งแท้นะไปคือเกา่าผีตัวเดียวนะะั่นแ่ะซุมมันคือเก่ามื่กับซื้อเก่านั่นแหละมันสิเที่ยงในเนาะ บ่มีอย่างงวยงางก็ได้อยากไอรร้เป็นซ้าเป็นมากก็ได้เขาไปจองคนเลยนะงั้นก็ใส่ใจเอานะอยู่ที่เดิมนน่ะจะเปลี่ยนที่บ่อยนักถ้าครูบาอาจารย์บอกให้เปลี่ยนก็เปลี่ยนบ่อยเปลี่ยนกับบ่เปลี่ยนตั้งใจลงไปไว้ไว้ขึ้นมาลองถางว่าจะเปลี่ยนที่อยู่าแล้วมันออกมาในเวลาเดินขึ้นมามันคุยกันขึ้นมาเพื่อจะถึงในเสดายสติหลุดไหมดเลยมันไม่ต่อเนื่องให้ คุยมาในเสียหมดนะที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยมันก็จะดีแต่เสียงรบกวนหน่อยแต่ว่ามันเกิดจะไม่เสียตอนท้ายไงเราพยายามประคองเต็มที่นะเนี่ยนะแล้ว อ, อนุมโมทากับญาติโยมนะตั้งอกตั้งใจฝ่ฝึกฝนขอามในสตินะพัฒนาเป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็นญาณเป็นการรู้แจ้งสามารถทำที่ ได้ดวงตาเห็นธรรมละเกิดสมาธิที่บริสุทธิ์ถึงที่สุดของทุกขโด้ยกันทุกท่านทุกคนเกินแล้วจิตัวกราบพระ